ทำบ้จริงไม่ใช่ของยากนะเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่เราจะเรียนรู้ความจริงของชีวิตถ้าเราเรียนรู้ได้แล้วก็ความทุกข์มันจะเข้ามาไม่ถึงใจเรานี่ก่อนอื่นหลวงพ่อบอกก่อนนะเวลาหลวงพ่อเทศขออย่างว่าปิดมือถือปิดเสียงนะแล้วก็งดถ่ายรูป เวลาฟังธรรมนะฟังด้วยใจที่สงบใจที่สบายใจที่สงบสบายไม่วอกแวกวอกแวกนะแล้วก็ไม่เครียดใจอย่างนั้นถึงจะรับธรรมะได้ธรรมะมีไม่เคยหายไปไหนนะวิธีปฏิบัติสมถกรรมฐานวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานในตำรับตำรานกะ็มีอยู่สมบูรณ์ไม่เคยหายไปไหนหรอก อย่างคำพีวิสุทธิทมรัก์เนี่ยสอนเรื่องวิธีทาสมาธิสมถะสีอย่างการทำวิปัสสนาทำยังไงอะไรเียสอนละเอียดมากเลยแต่คนอ่านก็ไม่าภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่ได้มีแต่ตำรานะแต่ไม่รู้เคล็ดวิชาตีความตำราไม่ออกครูบาอาจารย์เนี่ยท่านไม่ได้เรียนตำรับตำรามาท่านภาวนา ต่อสู้กิเลสมาลองผิดลองถูกนะท่านรู้วิจิตรแต่จะให้ท่านอธิบายเหมือนตำราท่านก็อธิบายไม่ถูกอีกปริยัติกับปฏิบัติเลยไม่ค่อยถูกกันเหมือนพระพุทธเจ้าคนละองค์ไม่ค่อยถูกกันชอบทะเลาะกันนะนักปริยัตกับ น, นักปฏิบัตนินี่หลวงพ่อเคยเรียนปริยัติ ด, ด้วยแต่เบื้องต้นเรียนปฏิบัติไม่ได้เรียนปริยัตเรียนปฏิบัติก่อน ก็ เ, เข้าใจว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติทำทําเพื่ออะไรทําอย่างไรทำแล้วมีผลเป็นยังไงก็รู้สิ่งเหล่านี้มาก่อนพอรู้แล้วก็เลยเข้าไปเรียนปริยตัตบ้างศึกษาบ้างอ่านตําราของปริยตัตนะีจากมุมมองของนักปฏิบัตินะเนี่ยผมว่ามันลงกันเป๊ะเลยแต่ถ้าเราไม่เคยรู้หลักของการปฏิบัติเลยนะเราไปเรียนตาําราฝ่ายปริยตัตนะ ฟังไม่รู้เรื่องตีความแบบภาวนาไม่เป็นหรอกอย่างเราชอบได้ยินนะเรากระทั่งคนที่ปฏิบัติไม่ได้เรียนปริยัตเนะี่ยบางทีก็มีธรรมะที่คว้ยเป๋ไม่ใช่น้อยเลยในแวดวงนะักปฏิบัตินะั่นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะถ้าหากเราพบว่าเราภาวนา1ปี2ปี10ปี20ปี30ปีใจเราเหมือนเดิม ไม่มีพัฒนาการอะไรเกิดขึ้นเลยได้แต่ความสงบช่วงนี้สงบอีกช่วงหนึ่งฟุ้งซ่านช่วงนี้ฟุ้งซ่านอีกช่วงหนึ่งสงบนีะนั้นเรียกว่าอย่างพอวนาไม่เป็นหรอกถ้าภาวนาเป็นเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งเลยในตัวเราเองอย่างนักปฏิบัติจํานวนมากเลยมักจะคิดว่าเราจะเจริญปัญญาเนี่ยเราต้องมีสมารถ พูกันเรื่อยๆนะว่าถ้าไม่มีสมาธิจเจริญปัญญาไม่ได้พูดถูกไม่ใช่พูดไม่ถูกแต่สมาธิที่ทำนะ่ะมันไม่ถูกเพราะสมาธิมันมีสองชนิดนะสมาธิอันหนึ่งเนี่ยจิตไปสงบอยู่ที่อารมณ์อันเดียวเนี่ยคือสมาธิที่ใครๆก็ชอบทําอ้างว่านั่งสมาธินั่งสมาธินั่งแล้วจิตสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์ันเดียวเช่นพุโทโธพุโทโธจิตจะอยู่กับพุโทโธไม่หนีไปไหนเลย รู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าจิตไปอยู่ที่ลมหายใจไม่หนีไปไหนเลยไปดูท้องฟองยุบนะจิตไปอยู่ที่ท้องท้องฟองท้องยุบจิตรู้หมดเลยแต่จิตไปจอ่อจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องมองไม่เห็นตรงนี้แหละรเรียกว่าสมาธิแบบที่จิตเคลื่อนไปเกาะนิ่งๆอยู่กับอารมณ์สมาธิอย่างนี้ในภาษาปริยัติเรียกว่าอารมณูปนิชาน ไปเพ่งอยู่ที่อารมณ์เช่นเรามีไฟสักดวงหนึ่งมีลูกแก้วมีอะไรสักอย่างนะมาตั้งไว้แล้วก็เพ่งไปเรื่อยเพ่งกระสินเพ่งอะไรต่ออะไรหรือเพ่งลมหายใจจิตเคลื่อนไปที่ดวงกระสินจิตเคลื่อนไปที่ลมหายใจอะไรนะี่จิตมันเคลื่อนจิตมันไม่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานไม่เป็นคนดูแต่จิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์เนี่ยสมาธิแบบนี้แหละที่เขาทากันเต็มบ้านเต็มเมืองนะ เราคิดว่าทำสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาสมาธิอย่างนี้ไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาครั้งหนึ่งมีคนเคยถามหลวงตามหาบัวบอกผมนั่งสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมท่านมองหน้าแล้วท่านก็บอกไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันวิธีทําสมาธิเพื่อให้จิตสงบก็เป็นอีกอย่างหนึ่งวิธีที่จะฝึกให้เกิดปัญญามันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งโครงงานกันเราอยากได้ความสงบเราก็ต้องฝึก สมาธิแบบให้สงบเราอยากให้มีปัญญาเราต้องฝึกสมาธิที่จะเอาไปใช้เจริญปัญญาอยากกินข้าวสารอยากกินข้าวสุกเลไนี่ไปปลูกมะม่วงก็ไม่ได้กินนะไม่ได้กินข้าวอยากจะกินมะม่วงก็ไปทำนาไม่ได้กินมะม่วง <ite> เหตุกับผลต้องตรงกันงั้นเราจะต้องรู้จักนะว่าสมาธิแบบไหนเอาไว้พักผ่อนสมาธิแบบไหนเอาไว้เดินปัญญามันไม่เหมือนกัน พวกเราเคยได้ยินคําว่าจิตกับคําว่าอารมณ์ไหมคำว่าอ um ารมณ์ไม่ได้อิมูชันนะคำว่าอารมณ์เนี่ยภาษาอังกฤษตัวนี้ใช้ออบเจกติฟตัวจิตคือตัวสับเจกติฟจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์ um คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามีจิตกับมีอารมณ์เนี่ยเป็นของคู่กันสมาธิก็เลยมี2แบบสมาธิอันหนึ่งจิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์เรียกว่าอารามานูปนิชฌานใช้ทําความสงบพักผ่อน สมาธิอย่างที่สองเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ inee, ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธร ร, รนมนามธรรมสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ใช่ตั้งอยู่ที่อารมณ์สมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วสามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธร ร, รนมนามธรรมได้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานแม้สมาธิมีสองชนิดนะอย่าพูดเพิรเจอว่าทําสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาต้องดูว่าทําสมาธิชนิดไหนถ้าทําสมาธิ ที่จิตไปนิ่งอยู่ที่อารมณ์มันเดียวมันจะไม่สามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ได้ไม่สามารถเจริญปัญญาได้คาว่าเจริญปัญญาหรือการทำมิปัสสนากรรมฐานะต้องนะใช้คาว่าต้องต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจนี้ถ้าเราไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ใช้คาว่าเห็นนะไม่ใช่คิดเอาด้วยไม่ใช่เดาเอาด้วยต้องเห็นตามที่มันเป็นเห็นรูปธรรมนามธรรมนั้น เป็นไตรลักษณ์นั่นเเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงวิปัสนาปัสณะเพราะว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นตรงความจริงเห็นแจ้งงั้นถ้าเราไม่สามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามมาทำได้ไม่เรียกว่าวิปัสนาไม่เรียกว่าการเจริญปัญญาที่แท้จริงถ้าไม่ทำวิปัสนามรรคผลนิพพานไม่มีทางเกิดต้องทาวิปัสนากรรมฐานถึงจะเกิดมรรคผลนิพพานได้ จะทำวิปัสสนากรรมฐานก่อนจะทำวิปัสสนาเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นเส ก, ก่อนจิตต้องเป็นคนดูให้ได้เสี ก, ก่อนถ้าจิตเป็นผู้แสดงผู้คิดผู้นึกผู้ปลงผู้แต่งอยู่เนี่ยจิตจะปลดเปื้อนไม่สามารถเห็นรูปธรรมนามธรรมตามความเป็นจริงได้ยงั้นบางที่นะเขาก็พูดกันว่าต้องนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิแล้ว ก, ก็มาพิจารณาร่างกายอะไรย่างเงี้ยพิจารณาร่างกายไม่ใช่เห็นไตรลักษณ์เป็นการคิด ก็ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแต่ว่าเป็นอุบายนะเป็นอุบายของนักปฏิบัติบางท่านบางกลุ่มท่านก็ทํเทำเราก็ได้ผลดีเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดีหรอกแต่เราต้องแยกให้ออกว่าตรงไหนเป็นสมถะตรงไหนเป็นวิปัสสนาพวกเราต้องแยกให้ออกเรื่องสมาธิสองชนิดสมาธิชนิดที่1จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิชนิดที่สองจิตตั้งมั่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดจิตกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เราเคยได้ยินคำว่าพุทโธพุทโธใช่ไหมพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกจิตที่ตั้งมั่นนะถ้าเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็ไหลไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นก่อนที่เราจะเริ่มเจริญปัญญานะเราจะต้องมาฝึกจิตฝึกใจซะก่อนให้จิตตั้งมั่น ง น, นในบทเรียนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพวกเรานะมีบทเรียนสามบทบทที่หนึ่งชื่อศรีรสิกขาบทที่สองชื่อจิตตสิกขานี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเรียนเราต้องเรียนเรื่องจิตนะจนกระทั่งเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เป็นผู้รู้ ผ, นะ ผ, รผู้ตื่นผู้เบิกบานได้มันจะถึงบทเรียนที่สามได้คือปัญญาสิกขา ถ้าไม่มีจิตสิกษาจิตของเราไม่มีคุณภาพพอเราไม่ได้พัฒนาจิตให้มีคุณภาพสําหรับการเจริญปัญญาอยู่ๆเราจะไปเจริญปัญญาด้วยจิตซึ่งไม่มีคุณภาพนี่เป็นไปไม่ได้เลยงั้นเราเวลาเรียนธรรมะเราอย่าข้ามขั้นตอนนะบางคนใจร้อนบอกว่าจะไม่เรียนเรื่องจิตเรื่องใจจะขึ้นไปเจริ ญ, ญปัญญาทําเจริญปัญญาทํำยังไงต่อไม่ถูกแล้วมั่วซั่วแล้ว เช่นไปนั่งคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิปุลอสุภาไอ้นั้นเรื่องอสุภากรรมฐานเป็นเรื่องสมถะกรรมฐานอยู่ในกรรมฐาน40เรื่อง40อย่างเป็นเรื่องของสมถะหรือบอกว่าไปดูท้องพองท้องยุบเนี่ยเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปเพ่งอยู่ที่ท้องได้ความสงบเป็นการเพ่งอารมณ์งั้นวันนี้หลวงพ่ออยากชวนพวกเรานะเรามาฝึกจิตใจให้ตั้งมั่น เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้นการเจริญปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าเจริญปัญญาแล้วเนี่ยการที่จิตใจจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็เป็นไปได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านย้ำเลยว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลไม่ใช่ด้วยสมาธินะแต่มีศีลเป็นบาตเป็นฐานทาให้จิตสงบง่าย ถ้จิตสงบแล้วมาฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีการที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ยากอะไรให้เราคอยรู้ทันจิต ท, ที่มันหนีไปคิดจิตของเราหนีไปคิดทั้งวันใช่ไหมตื่นนอนขึ้นมาสิ่งแรกที่ทำนะก็แอบไปคิดละใจบากทีร่างกายนอนอยู่นะสลึมสลือขึ้นมาใจก็เริ่มคิดละ พอใจมันคิดนึกลงแต่งมันก็คิดไปอดีตคิดไปอนาคตนะคิดเรื่องน้อนคิดเรื่องนี้การคิดเนี่ยทำให้ใจเนี่ยหลงไปอยู่ในโลกของความคิดใจไม่สามารถรู้สึกตัวได้เราต้องมาฝึกความรู้สึกตัวด้วยวิธีการพราะเราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะจะพุโทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้จะดูท้องผองยุบก็ได้ แต่ไม่ใช่พุโทโธแล้วน้อมจิตให้สงบ Little อยู่กับพุโทโธ อ, Guys, นน อ, อ, ai ai. อันนั้นเป็นสมถะไม่ได้รู้ลมหายใจแล้วน้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจอันนั้นเป็นสมถะไม่ได้ดูท้องพ่องยุบแล้วน้อมจิตไปอยู่ที่ท้องนะถ้าน้อมจิตไปที่ท้องอันนั้นเป็นการทําสมถะกรรมฐานหรือเดินจงกรมก็ได้นะแต่เราไม่ได้เดินแล้วก็น้อมจิตไปอยู่ที่เท้าเท้าขยับขยืขย้อนรู้หมดเลยจิตไหลไปอยู่ที่เท้านะอันนั้นเป็นสมถะกรรมฐานคือจิตเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียว อารมณ์เดียวก็คือตัวพุโทโธบ้างตัวลมหายใจบ้างท้องพองยุบบ้างนะร่างกายที่เคลื่อนไหวบ้างเรามาฝึกใหม่เราทำกรรมฐานอย่างเก่าเลยแต่แทนที่เราจะน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานถ้านําจิตไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนเรียกอารมนุปนิชานเราทำกรรมฐานอย่างเดิมแต่เราคอยรู้ทันจิตเรามาพุโทโธพุโทโธนะแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทัน เรามารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันจิตมันชอบเคลื่อนที่หลวงปู่ดูลท่านบอกว่าจิตชอบส่งออกนอกส่งออกไปคิดบ้างนะส่งออกไปอยู่ที่อารมณ์อื่นๆบ้างบางีก็อย่างเรารู้ลมหายใจอย่างเงี้ยถ้าเราจะทําทสมถะเราก็น้อมจิตให้นิ่งอยู่ที่ลมหายใจไม่ให้ไปที่อื่นได้สมถะได้ความสงบเฉยๆแต่ไม่มีปัญญา ถ้าจะฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นเราก็รู้ลมหายใจแต่ว่าเราคอยรู้ทันจิตไม่ใช่เอาลมหายใจเป็นหลักลมหายใจเป็นแบกเก่าเท่านั้นจิตเป็นตัวหลักการที่เราคอยรู้เท่าทันจิตนี่แหละถึงเรียกว่าจิตตรศิขาเคยได้ยินแหมศีลสิขาจิตตสิกขาปัญญาศิกขาถ้าเราไม่เรียนเรื่องจิตอย่ามาคุยเรื่องเดินปัญญาทําไม่ได้จริงหรอกเมื่อเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจนะ พุทโธไปนะจิตหนีไปคิดรู้ทันรู้ลมหายใจจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันใครถนัดดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปดูท้องพองยุบแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตชอบเคลื่อนไปหาอารมณ์นะแล้วก็เคลื่อนไปคิดความคิดก็เป็นอารมณ์เรื่องอารมณ์บัญญัตินะก็เป็นอารมณ์จิตไหลไปหาอารมณ์ตลอดเวลาให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไป ทันทีที่เรารู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมันติชั่วขณะเท่านั้นเองตั้งมั่นแล๊บรู้สึกตัวขึ้นเป็นขณะขณะพวกเราต้องลองซ้อมนะต้องคลองซ้อมต้องฝึกอย่างเดินจงกรมจริตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้ารู้ทันคือถ้าให้เราคอยรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปถ้าเรารู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมันติ Bite. ไม่ต้องบังคับนะตรงที่จิตเคลื่อนไปเนี่ย เป็นความย่อหย่อนเกินไปในการปฏิบัติตรงที่เราบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนเป็นความตึงเกินไปของนักปฏิบัติทางสายกลางเนี่ยจิตไหลไปเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นเองโดยไม่ได้บังคับถ้าบังคับให้ตั้งมั่นนะพยายามจะไม่ให้เคลื่อนเลยอันนี้ตึงเกินไปงั้นการที่จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยจิตจะเดินเข้าสู่ทางสายกลาง ไม่หย่อนเกินไปหย่อนเกินไปก็คือหลงไปแล้วไม่รู้ตัวหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งไม่รู้ตัวหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปรู้รสอะไรต่างๆไม่รู้ตัวถ้าจิตหลงไปไหลไปเคลื่อนไปเรียกว่าหย่อนเกินไปถ้าบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนไปเลยเรียกว่าตึงเกินไปการที่จะมาทําจิตตศิกขาเนี่ยไม่หย่อนไม่ตึงเอาแค่รู้ทันถ้าจิตเคลื่อนเรารู้ว่าจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนเรารู้ว่าจิตเคลื่อนจิตมันเคลื่อนที่ได้นะ หลวงพ่อจะพิสูจน์ให้พวกเราดูขณะนี้พวกเราฟังหลวงพ่อเทศอยู่นะแล้วหลวงพ่ออีกสักครู่หลวงพ่อจะหยุดการเทศพวกเราสังเกตดูซิพอหลวงพ่อหยุดเทศจิตเราจะไหลไปคิดจริงไหมดูออกไหมมันเคลื่อนไปคิดดูยังไม่ออกหยุดดูก่อนอย่าพยายามดูมากจิตมันขี้อายนะไปดูมันมันหนีไปเลยหายไปนะ ทำไมกลับมารู้สึกตัวสบายๆใหม่ลองดูไปที่รูปพระมีรูปพระอยู่รูปนึงเล็กหน่อยนะสังเกตไหมพระแต่งตัวแบบไหนดูออกไหมว่าจิตเราไหลไปอยู่ที่รูปพระดูออกไหมเนี่ยขณะที่ตาเรามองเห็นนะจิตเราก็เคลื่อนไปขณะที่หูเราได้ยินจิตก็เคลื่อนไปขณะที่ใจคิดจิตก็เคลื่อนไป จิตเนี่ยเคลื่อนที่ตลอดเวลานะเอาละพอแล้วไม่ต้องดูพระมากนะหลวงพ่อไม่ได้ให้ดูพระหลวงพ่อจะให้รู้ทันจิตที่ไหลไปที่พระนะดูออกไหมจิตมันไปคิดนะมันเคลื่อนไปคิดได้นะนี่ค่อยๆหัดนะค่อยๆหัดสังเกตเวลาเราดูทีวีนะกลับบ้านวันนี้ไปดูทีวีนะเวลาเราดูทีวีบางทีใจเราไหลเขาเ้าไปในโทรทัศน์เลยนะเนี่ยใจมันเคลื่อนไปนะ ให้เราคอยรู้ทันใจที่เคลื่อนนะโดยการแต่ว่าอยู่ๆธรรมดาอย่างนี้จะรู้ทันใจที่เคลื่อนเนี่ยรู้ยากอย่างหลวงพ่อพาดูก็พอดูได้นะแต่ถ้าหลวงพ่อไม่ได้พาดูมันดูยากงั้นเราก็ทํากรรมฐานสัวยอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบ ก, ก็ได้แต่ทําไปแล้วเนี่ยคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะอันนี้เป็นการฝึกภาคปฏิบัตินะฝึกสมาธิ บางคนบอกว่าหลวงพ่อประโมทไม่สอนสมาธิไม่ใช่เลยหลวงพ่อประโมทสอนสมาธิทั้งสองแบบเลยสมาธิแบบสงบเรื่องหมูหมูเรื่องเด็กๆนะส่วนสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ยากมากนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราไม่รู้จักหรอกหรือสีชีพไลเขาสอนสมาธิจนเข้าฌานได้นะี่เป็นสมาธิที่จิตเพ่งอยู่ที่อารมณ์ทั้งสิ้นเลยนะเพ่งไปอยู่ที่ ลมหายใจเพ่งไปอยู่ที่แสงสว่างเพ่งอะไรต่ออะไรออกนอกไปหมดเลยมีแต่สมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเราต้องฝึกสมาธิอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นนะเราไม่สามารถเจริญปัญญาได้สมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยถ้าพูดไปแล้วฟังแล้วน่ากลัวถ้าพูดภาษาไทยเอาให้ง่ายๆแล้วไม่น่ากลัวนะง่ายที่สุดเลยก็คือ สภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างนี้พอฟังออกไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจของเราลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันนึกออกไหมเดี๋ยวก็หนีไปคิดเรื่องน้อยเดี๋ยวก็วิ่งไปเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปสนใจคนอื่นเดี๋ยวก็สนใจข่าวน้อยข่าวนี้นะเราสนใจออกนอกไปเรื่อยๆจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเรามาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนนั่นแหละคือการฝึกสมาธิชนิดที่จิตใจตั้งมั่น เมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยเราถึงจะเจริญปัญญาได้เพราะการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเห็นความจริงของกายของใจถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของตัวเองไม่สามารถเห็นกายเห็นใจของตนเองได้เมื่อเราไม่สามารถเห็นกายเห็นใจของตวเองได้เราจะไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนีเป็นไปไม่ได้เลย เพราะไตรลักษณ์นั้นแสดงอยู่ที่กาย ไ, ไตรลักษณ์นั้นแสดงอยู่ที่ใจอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยแสดงอยู่ที่กายที่ใจแต่ถ้าจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราลืมกายเราลืมใจเรามีร่างกายเราก็ลืมมันไปไม่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายเราจะไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายไม่ได้เรามีจิตใจแต่แเราก็ลืมมันไปนะมัแวแต่คิดเรื่องอื่นจิตใจเป็นสุขหรือจิตใจเป็นทุกข์จิตใจเป็นกุศลหรือจิตใจเป็นอกุศลเราก็ไม่รู้นะจิตใจเราหนีไปตลอดเลยเราไม่รู้ เรามีจิตใจแต่เราก็ลืมมันเมื่อเราลืมจิตใจเราจะไปเห็นจิตใจแสดงไตรลักษ์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละเป็นจุดตั้งต้นที่จะทำให้เราเห็นความจริงคือความเป็นไตรลักษ์ของกายของใจได้นี่สมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิที่สาคัญมากนะสมาธิชนิดที่จิตไปอยู่ที่อารมณ์เนี่ยสามารถเข้าฌานที่1 2ึ่งสอี่้าดดได้ สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เข้าฌานได้ฌานที่เข้าได้นะหนึ่งสสามี่ห้าหเจ็ดปดเท่าเท่ากันนะแต่ว่าลักษณะของสมาธิสองชนิดนีมันใช้งานต่างกันสมาธิที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวนีใช้ทำสมถกรรมฐานได้อย่างเดียวหรือใช้ทำงานทางโลกเนี่ยอย่างเป็นเราทำงานนะ อ่านหนังสืออ่านไรนี้นะจิตใจเราจดจ่อไม่ไปอยู่ที่อื่นอยู่แต่หนังสืออย่างเดียวเนี่ยสมาธิที่จิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์มันเดียวนี่เป็นเรื่องทางโลกๆกหรืออย่างเก่งที่สุดแค่ทําสมถกรรมฐานแต่สมาธิที่จิตตั้งมั่นที่เรียกว่าลักคนูปนิชานเนี่ยใช้ทําวิปัสสนากรรมฐานแะในขณะที่เกิดอริยมรรคในขณะที่เกิดอริยผลต้องมีสมาธิชนิดลัคนูปนิชานไม่เป็นสมาธิที่อยู่ในวิปัสสนา เป็นสมาธิที่อยู่ในขณะแห่งอริยมรรคเป็นสมาธิที่อยู่ในขณะแห่งอริยผลพระริยะบุคคลเวลาจะเข้าสมบัติเรียกว่าพระสมบัตินะก็จะเข้าสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนี้แหละไม่ใช่สมาธิที่จิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์แล้วก็เคลิบเคลิมลืมเนื้อลืมตัวนั้นสมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิของชาวพุทธนะที่อื่นไม่มีหรอกเป็นสมาธิแท้ๆเลยของชาวพุทธ พวเราต้องฝึกให้ได้พอฝึกได้แล้วจิตใจจะอยู่กับเนื ar, ้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็ดูการทํางานของกายดูการทํางานของใจใจเราเป็นแค่คนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูมันก็จะเห็นความจริงว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวนะมันไม่เที่ยงหรอกเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะแล้วก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์นะเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ปวด ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ทุกข์นอนก็ต้องนอนพลิกไปพลิกมามีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่หายใจออกนะหายใจออกก็เพื่อจะแก้ทุกข์พอหายใจออกไปมากๆไม่หายใจเข้าก็ทุกข์อีกแล้วก็ต้องมาหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกหายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทุกข์นะก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์อีกเนี่ยพอเราเรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวนะเราเห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่อยเเพราะว่าร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นร่างกายมีแต่ความแปรปรวนไปเรื่อยๆ หรือบางคนก็เห็นลึกซึ้งเห็นร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจออกแล้วก็หายใจเข้ากินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะไรเงี้ยร่างกายเป็นแค่วัตถุมีธาตุไหลไปไหลมาด้วยเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเราเห็นความจริงของร่างกายลนะร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ร่างกายนี้ เป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามาดูจิตใจนะถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็จะรู้ทันจิตใจมีความสุขเรารู้ทันจิตใจมีความทุกครารู้ทันจิตใจเป็นกุศลเรารู้ทันจิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงเราก็คอยรู้ทันในความเป็นจริงแล้วการดูจิตดูใจเนี่ยง่ายแสน ง, ง่ายนะง่ายกว่าดูกายมากเลยการดูกายถ้าสมาธิไม่พอดูยากแต่การดูจิตง่ายง่าย ทุกคนรู้จักสภาวะทางจิตใจอยู่แล้วใครในห้องนี้ไม่รู้จักความโกรธบ้างมีไหมใครเคยโกรธยกมือซิใครเคยโกรธบ้างเดี๋ยวหลวงพ่อจะสํารวจมีคนไม่เคยโกรธไหมยังไม่เจอยังไม่เจอไม่เจอนะใครเคยโลบบ้างยกมือยกอีกมือหนึ่งเปลี่ยนมือบ้างเออเราเพิ่งกินข้าวมานะต้องเปลี่ยนมือบ้างนะเอาละมือลงความโกรธพวกเราก็รู้จักความโลบพวกเราก็รู้จัก ใครรู้จักฟุ้งซ่านไหมรู้จักหดหูไหมไม่ต้องเอามือลงจะจะรู้จักตลอดนะหดหูก็รู้จักดีใจก็รู้จักใช่ไหมเสียใจก็รู้จักกังวลเป็นไหมกลัวเป็นไหมอิจฉาเป็นไหมหึงเป็นไหมบางคนบอกหึงไม่เป็นเพาไม่เคยรักใครนะเอามือลงได้ลด้อย่าเมื่อยหลวงพ่ให้เคลื่อนไหวบ้างงั้นเดี๋ยวหลับ สภาวะทางใจเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเรารู้จักอยู่แล้วนะงั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะเราจะปฏิบัติด้วยการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของใจขณะนี้จิตใจมีความสุขให้รู้ทันขณะนี้จิตใจมีความทุกข์ให้รู้ทันขณะนี้จิตใจเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็ให้รู้ทันขณะนี้ใจเป็นกุศลรู้ทันขณะนี้ใจโลคใจโกรธใจหลงใจฟุ้งซ่านใจหดหู่ก็คอยรู้ทัน สภาวะทางใจใดๆกําลังปรากฏอยู่ก็แค่รู้ทันรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะได้เห็นไตรลักษณ์เช่นความสุขกําลังปรากฏอยู่ในห้องนี้จํานวนมากเลยรู้สึกตัวไหมว่าจิตมีความสุขรู้สึกไหมลองดูไปที่ความรู้สึกสุขในใจของเราเห็นไหมว่ามันหายไปมันเริ่มเป็นอุเบกขาแทนสุขแล้วใช่ไหมนั่งฟังธรรมไปนะมีความสุขมีความผ่อนคลายนะใจเรามีความสุข ถ้าเรารู้ทันว่าใจมีความสุขแล้วก็จะเห็นเลยว่าความสุขนนอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปถ้าจิตเราเป็นอุเบกขาใจที่มีความสุขนะฟังธรรมแล้วมีความสุขตอนที่ฟังธรรมเนี่ยจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีเวทนาคือความรู้สึกได้สองชนิดนะจิตที่เป็นกุศลนะจะมีความรู้สึกสองชนิดนะคือมีความสุขกับมีอุเบกขาความสุขเขาเรียกว่าสมนัตเวทนากับอุเบกขาเวทนา ในขณะที่จิตเป็นกุศลเนี่ยจะไม่มีความทุกข์แต่ในขณะที่จิตมีความสุขนะอาจจะเป็นอกุศลก็ได้นะจิตที่มีราคะมีโลภะมีความสุขนะเพราะฉั้นถ้าเราสังเกตจิตของเราถ้าจิตมีความทุกข์เนี่ยเราฟันธงได้เลยว่าเป็นจิตอกุศลถ้าจิตมีความสุขเนี่ยต้องดูก่อนว่าเป็นกุศลหรืออกุศลยังไม่แน่นะเอาแต่ว่าไม่ต้องดูละเอียดขนาดนี้ก็ได้เราคอรู้ทันจิตมีความสุขก็รู้ จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้ไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้จิตมีความสุขแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตที่มีความสุขก็ไม่เที่ยงจิตที่มีความทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตที่เฉยๆก็ไม่เที่ยงเนี่ยเราคอยรู้ทันความรู้สึกในใจเรานะถ้าจะเห็นว่ามันหมุนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวเฉยๆเดี๋ยวทุกข์นะหมุนไปหมุนมาทั้งวันเขาแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูแล้วแต่ถ้าจิตใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวนะเพื่อไม่เห็นความรู้สึกของตัวเอง หรือจิตใจจะดีจิตใจจะร้ายก็ไม่เที่ยงบางทีก็เกิดอยากฟังธรรมนะมีความต้องการจะฟังธรรมะนี่เป็นความต้องการที่เป็นกุศล น, นะอยากไปวัดใครเคยอยากไปวัดบ้างยกมือเสียในห้องนี้เวลาอยากไปวัดนะโอ้รอวันที่จะไปวัดเก็บวันลาไว้เลยนะพอถึงเวลาไปวัดอยากกลับบ้าน <c oughs> จิตที่เป็ น, นกุศลกายเป็นอกุศละนะ ใครมีลูกบ้างข้างนี้ใครมีลูกเวลาลูกมันไปทําอะไรที่เสี่ยงภัยนะเช่นมันจะไปวิ่งข้างถนนนะเราเป็นห่วงใช่ไหมเรามีกรุณานะเรากลัวเขาจะทุกข์นะเราไปเรียกเด็กเข้าบ้านหรือเด็กไปเล่นน้ําฝนเรากลัวจะเป็นหวัดเนี่ยเรามีใจที่เป็นกรุณานะพอเราเรียกเรียกมันจะให้เข้าบ้านมันไม่เข้าโกรธนึกออกไหมเวลาให้ลูกกินข้าวอยากให้ลูกมีความสุขใช่ไหม กินข้าวนะจะได้โตเร็วๆอะไรเนี่ยความจริงแม่จะได้ไปทําอย่างอื่นได้ด้วยให้กินให้กินเพราะมันไม่กินโกรธรู้สึกไหมความการุณาเนะีพลิกเป็นโภคาได้ตลอดเวลาเนยกุศล น, นะพลิกเป็นอกุศลได้ง่ายๆเลยเราวใครรู้ทันความเมตตาก็พลิกเป็นราคะได้ง่ายๆนะอย่างเราเมตตาคนนี้รู้สึกเป็นมิตรคําว่าเมตตาเนี่ยฟังแล้วแปลยากเมตตากับคําว่ามิตรเนี่ยคำเดียวกันกับคําว่าไมตรีความรู้สึกเป็นมิตร เรามีความรู้สึกที่ดีกับคนคนหนึ่งดีไปดีมารักเขาแล้วสินะรู้สึกเป็นเจ้าข้าเจ้าของ ข, องขึ้นมาเนี่ยความเมตตานะเป็นกุศล น, นะความรักใคร่ผูกพันเป็นตัวราคะเป็นตัวโลภะเป็นอกุศลเนี่ยจิตมันพลิกตลอดนะเมตตาก็พลิกเป็นราคะได้นะกรลุณาก็พลิกเป็นโทสะได้ มุทิตายินดีที่คนอื่นเขาดีด้วยดีไปดีมาคนนี้ดีทำอะไรประสบความสำเร็จขอสแสดงความยินดีด้วยมันสำเร็จตลอดเวลาอิจฉาเลยนะทำไมเราไม่เป็นอย่างนั้นบ้างใครเคยเป็นไหมโอ้เยอะคนที่นี่หลวงพ่อยกย่องนะคนที่มาฟังธรรมที่นี่กล้ามากเลยในการที่จะเปิดโปงตัวเองบางที่นะสงวนรักษาหน้ามากเลยนะถามมีกิเลสไหมยิ้ม <laughs> มีนั่นไหม้มีนี่ไหมไม่มีมีกุศลไหมมีมีมีม <laughs> นึกว่าพระพไม่รู้ <laughs> นี่เราคอยสังเกตจิตของเรานะมันไม่เที่ยงนะขนาดกุศล น, นะยังพลิกเป็นอกุศลได้เลยจากสุกนะแป๊บเดียวกลายเป็นทุกข์ได้จากทุกแป๊บเดียวกลายเป็นสุกได้นะพลิกไปพลิกมานะเราคอยรู้เท่าทันจิตนะแล้วเราก็จะเห็นความจริงของจิตจิตนี้ไม่เที่ยง จิตนี้บังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้ว่าจิตจงมีความสุขเราสั่งไม่ได้ว่าจิตจงอย่าทุกข์เราสั่งไม่ได้นะว่าจิตจงดีเราสั่งไม่ได้ว่าห้ามชั่วเราว่าจะไม่โกรธแป๊บเดียวโกรธไปแล้วใครเคยตั้งใจว่าจะไม่โกรธบ้างมีไหมแล้วโกรธไหมโกรธหลวงพ่อแต่ก่อนล็โกรธนะว่าจะไม่โกรธใครเคยตั้งใจว่าจะไม่คิดเรื่องนี้คิดแล้วไม่ดีเลยคิดไหม ยิงตั้งใจว่าจะไม่คิดเรื่องไหนนะจะยิ่งคิดเรื่องนั้นมากเลยนะจะยิ่งคิดมากเพราะอะไรเพราะจิตเป็นอนัตตาเนี่ยหัดดูของจริงนะเราอย่าไปวาดภาพการเจริญปัญญาหรือการทํำวิปัสสนากรรมฐานให้มันผิดมนุษย์มานาไปมันก็แค่ว่าให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจไปเรื่อยเราจะเห็นว่าร่างกายก็ตกอยู่ใต้ใจรักจิตใจก็ตกอยู่ใต้ใจรักเมื่อเราเห็นกายเห็นใจแสดงใจรักณมากเข้ามากเข้านะ เราจะเริ่มเบื่อพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อไหนคำว่าเห็นตามความเป็นจริงก็คือเห็นรูปนามกายใจนี้เป็นไตรลักษณ์นั่นเองเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อไหนเช่นความสุขแต่เดิมเราสแสวงหาความสุขนะทุกวันนี้เราก็ดิ้นรนหาความสุขนึก อ, ออกไหมทำอะไรเราก็ลึกๆ ล, ลงไปนนะทาไปด้วยหวังว่าจะมีความสุขแต่ทั้งมาฟังเทศก็อยากได้ความสุขนะ หรือจะไปทําอะไรต่อไรนะสิ่งที่ลึกๆ เ, เลยก็อยากได้ความสุขไปดูหนังอยากเป็นทุกข์ไหมไปดูหนังก็อยากมีความสุขใช่ไหมฟังเพลงก็อยากมีความสุขมีแฟนสักคนกะว่าจะให้ทุกข์ไหมไม่มีใครอยากได้เราแสวงหาความสุขนะเราหลงกับความสุขนี่ถ้าเรามาหัดดูจิต ด, ดูใจตัวเองเราก็จะเห็นว่าความสุขเป็นของชั่วคราวแป๊บเดียวก็ไปแล้วมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะความทุกข์ก็ชั่วคราวมาแล้วก็ไปเหมือนกัน เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยนะต่อไปปัญญามันจะเกิดแนละ้วความสุขก็หาสาระแก่นสารไม่ได้เห็นอย่างนี้มันเริ่มเบื่อความสุขนะความสุขไม่ใช่ของดีของวิเศษที่เราจะต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาเพราะได้มาแล้วมันก็หลุดมือไปทุกทีแหละเนี่ยพอปัญญามันเกิดเนะี่ยมันจะไม่ดิน้นรนแลความดิน้นรนของใจเราจะลดลงลดลงเมื่อใจมันหมดความดิน้นรนนะใจมันจะทุกข์น้อยลงเรื่อยๆความหิวโหวยความอยากหรือตัณหาในใจมันก็ลดลงลดลง พรเจ้าถึงบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดคือคลาความอยากคลายตัณหานั่นเองงั้นถ้าเราเห็นความจริงเรื่อยๆไปอย่างเห็นว่าความสุขก็หาสาระไม่ได้นะมันจะคลายความยินดีในความสุขไม่ต้องดิ้นรนหาความสุขมากแล้วความสุขถึงดิ้นรนได้มานะแป๊บเดียวก็หลุดมือไปเพราะเรารู้สึกไหมความสุขอายุสั้นรู้สึกไหมแต่ความทุกข์อายุยืนรู้สึกไหมยืนไปเสมอเลยเพราะไม่ชอบอยากให้ไปไปไปไป แล้วมันไม่ไปทําไมมันไม่ไปเพราะมันเป็นอนัตตาสั่งให้มันไปมันไม่ไปหรอกนี่ยเราค่อยดูลงไปนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงคือ เ, เห็นความเป็นไตร ล, ลักษณ์ของกายของใจมันจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือเบื่ออะไรก็เบื่อรูปธรรมนามรารมที่เราไปรู้ไปเห็นเข้าแต่เดิมนึกว่าร่างกายเป็นของดีของวิเศษหัดรู้หัดดูมากเข้ามากเข้าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืน นั่งก็ทุกเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะนานๆเจ็บป่วยหนักๆทงสุดท้ายเจ็บป่วยมากตายเลยนะนี่ร่างกายลงท้ายก็ลงมาที่ความตายเลยนะทุกข์มากเป็นทนอยู่ต่อไปไม่ได้จิตใจก็เหมือนกันนะมีแต่ความแปลกปลวนมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้การที่เราเห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยสุดท้ายเราจะหมดความยึดถือในกายในใจถ้าเราไม่ยึดกายไม่ยึดใจเราก็จะไม่ยึดสิ่งใดในโลกอีกนะ น่าจะพุิพาวะของพระอรหันต์เบื้องต้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็หัดรู้หันดูไปด้วยจนเห็นความจริงนะว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปธรรมกับนามธรรมซึ่งมีเหตุมันก็เกิดขึ้นหมดเหตุมันก็ดับไปจะเห็นอย่างนั้นสุดท้ายก็จะเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่นัไม่ใช่ของดีของพิเศษแล้เป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะก็จะปล่อยวางความยึดถือได้งั้นปัญญาเนี่ยมีเป็นขั้นเป็นตอน ปัญญาเบื้องต้นของพระโสดาบันเขาจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่รูปธรรมเป็นแค่นามาทำรูปธรรมก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานามาทำก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีแต่สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วหายไปทั้งสิ้นเช่นร่างกายเราเนี่ยหายใจออกแล้วก็ร่างกายที่หายใจออกก็หายไปชีวิตตรงนั้นตายไปแล้วเกิดร่างกายที่หายใจเข้าหายใจเข้าอยู่ชั่วคราว ชีวิตที่หายใจเข้าก็ตายไปเกิดเป็นร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยเห็นความจริงไปเรื่อยจิตใจก็มีแต่ของแปรปรวนนะดูไปเรื่อยพอเห็นมากเข้ามากเข้าจะรู้เลยว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่เป็นอมตะในกายในใจนี้วันใดที่เราเห็นกายเห็นใจว่าไม่มีอมตะกายนี้เกิดแล้วก็ดับจิตนี้เกิดแล้วก็ดับ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 ร่างกายหายใจออกเกิดแล้วดับไหมร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วดับไหมร่างกายยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนไปเรื่อยเกิดแล้วดับไปเรื่อยนะความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายเกิดแล้วดับไหมความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยที่เกิดในใจเกิดแล้วดับไหมนื้อหัดดูของจริงไปเรื่อยกุศลอกุศลทั้งหลายเกิดในใจเกิดแล้วดับหรือไม่ดับก็จะเห็นว่าเกิดแล้วก็ดับจิตเองก็เกิดแล้วดับ เดี๋ยวก็ไปเกิดที่ตาเดี๋ยวก็ไปเกิดที่หูเดี๋ยวก็ไปเกิดที่ใจไปคิดไปนึกอะไรนะจิตก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเดี๋ยวก็เกิดดีเดี๋ยวก็เกิดร้ายเดี๋ยวก็เกิดสุขเดี๋ยวก็เกิดทุกข์เนี่ยจิตก็เปลี่ยนพรเปลี่ยนชาติของจิตไปเรื่อยก็เห็นเองจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็เกิดดับตลอดเวลาถ้าเราเห็นได้ถึงจิตที่เกิดดับเนี่ยเราจะล้างมิจฉาทิฏฐิได้แล้วนะล้างมิจฉาทิฏฐิที่ว่าจิตเที่ยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังเที่ยงอยู่นะเป็นม พระพุทธเจ้าท่านสอนคาว่าอนัตตาเนี่ยเราจะเข้าใจคาว่าอนัตตาได้นะถ้าเราเข้าใจคาว่าอัตตาคาว่าอัตตาเนี่ยอยู่ในสังคมของพรามนะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เขามีความเชื่อว่ามีสิ่งบางสิ่งที่คงที่เป็นอมาตะไม่ตายก็คือจิตวิญญาณเหล่านี้แหละพอร่างกายตายนะจิตวิญญาณออกจากร่างไปเกิดใหม่จิตเป็นของเที่ยงพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพราะว่าจิตไม่เที่ยง จิตนั้นเกิดดับนะวิญญาณังอนิจจังนี่จิตเกิดดับเนะ่ยถ้าจะสอนอย่างนี้เพราะฉะั้นถ้าพวกเรายังเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินะแต่ถ้าเราเห็นว่าจิตเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆสุดท้ายเราจะเห็นว่าทุกอย่างร่างกายเกิดแล้วก็ดับความสุขความทุกข์เกิดแล้วดับกุศลอกุศลเกิดแล้วดับจิตเกิดแล้วก็ดับถ้าเห็นอย่างนี้เราจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นอมตะเลยในกายในใจนี้เห็นอย่างนี้นะเราจะล้าง ความเห็นผิดได้นะจะได้เป็นพระโสดาบันได้พระโสดาบันท่านถึงเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดเละดับเป็นธรรมดานะแล้วเราพอนาต่อไปอีกนะเราก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งที่ปรากฏขึ้นมานั้นนะมันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยกายนี้ก็เป็นตัวทุกข์จิตนี้ก็เป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกพอเราเห็นความจริงว่ากายใจเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษเนี่ย มันจะหมดความยึดถือในกายในใจถ้าหมดความยึดถือจะปล่อยมันจะปล่อยวางความยึดถือกายใจนะั้นสลัดคืนกายคืนใจให้โลกนะนะจิต <sig S 1> จะเป็นอิสระขึ้นมะานะพระว่าของพระละหันพระละหันมีร่างกายแต่ไม่ได้ยึดพระละหันมีความรู้สึกสุขอันมหาศาลมีความเป็นอุเบกขาอันมหาศาลแต่ก็ไม่ได้ยึดพระละหันมีความเมตตาการุณาก็ไม่ได้ยึด น, นะมีมุติตาอุเบกขามีทั้งนั้นแต่ไม่ได้ยึด ไม่เหมือนพวกเรานะมีอะไรเรายึดหมดเลยกระทั่งความโกรธเรายัางยึดเลยนะคนไหนเคยโกรธแล้วพอใจที่โกรธบ้างไหมมีไหมภูมิใจที่โกรธหืกูโกรธเก่งอันะอนี้ก็มีนะคนไหนเวลาคิดเรื่องเศร้าๆแสบๆในใจแล้วชอบบ้างอ น, นั้นก็โทสะนะความเศร้าโศกในใจตัวนะั้นโทสะนะชอบไหมชอบแสบๆหืมแสบๆสะใจ เรียกว่าสวมวิญญาณนางเีกผู้ชายก็เป็นนะ mm hmm. แล้วผู้ชายยุคนี้นะเป็นมากกว่าผู้หญิงก็ผู้หญิงก็เริ่มเป็นผู้ชายผู้ชายก็เริ่มเป็นผู้หญิงมันกลายเป็นอนัตตานะ <c oughs> พอไหวไหมขั้นแรกนะรักษาสีล5ห้าสรุปขั้นที่สองฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจล่องลอยไปรู้สึกตัวบ่อยๆ ส่วนการทําความสงบจิตนั้นะถ้าทําได้ก็ทําทุกวันเพื่อพักผ่อนให้จิตมีเรี่ยวมีแรงแต่ตัวสําคัญก็คือต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจก็คือความเป็นไตรลักษณ์ น, นั่นเองร่างกายนี้จิตใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้นะก็ดูไปเรื่อยถ้าดูแล้วต่อไปปัญญามันก็ยกระดับขึ้นไปถ้าโสดาบันก็มีปัญญาเบื้องต้น เห็นว่าตัวเราไม่มีเห็นแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับเนี่ยพระโสดาบันพวกเรายังไม่ได้โสดาบันใช่ไหมปัญญาเบื้องต้นยังไม่ได้ตัมปะปัญญาเบื้องต้นจะเรียกว่าอะไรดีปัญญาอ่อนก็ไม่ใช่เนาะ <laughs> ปัญญานิดๆหน่อยๆนะพระสกทาคานะก็ยังปัญญาเบื้องต้นนะแตนะมีพระโสดาศีลบริบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อย ทำไมปุถุชนบางคนบอกสมาธิตั้งเยอะเข้าฌานได้ทำไมพระโสดาบันบอกสมาธิเล็กน้อยแปลกไหมก็สมาธิสองชนิดไงสมาธิสาธารณะทั่วๆไปเพ่งอารมณ์อันเดียวนี่เป็นปุถุชนก็เพ่งได้แต่สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เ บ, บาบางเนี่ยปุถุชนไม่ค่อยมีหรอกมีแต่จิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งพระโสดาบันเนี่ยมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้เนี่ย ชั่วแวบเดียวก็ไหลแวบเดียวก็ไหลท่านถึงบอกว่าพระโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยก็คือเห็นแต่ว่าสิ่งใดเกิดสีนั้นดับพระสกทาคาเนี่ยนะมีศีลบริบูรณ์คือบริบูรณ์มาตั้งแต่โสดาละนะมีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อยสมาธิปานกลางก็คือจิตมันส่งตัวได้เร็วจิตไหลไปวบรู้สึกวับรู้สึกนะมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นแต่ยังเคลื่อนอยู่ ภ้านาคาเนี่ยมีศีลบริบูรณ์นะมีสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางสมาธิบริบูรณ์ไม่ใช่เข้าฌานทั้งวันทั้งคืนสมาธิบริบูรณ์คือจิตตั้งมั่นจิตมีรักขณูปนิชฌานนั่นเองจิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่โดยไม่ต้องรักษานะจิตไม่ค่อยไหลไปทางตาไม่ค่อยไหลไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทาไมไม่ไหลไปเพราะจิตไม่ติดกาม จิตพวกเราที่วิ่งไปทางตาทางหูเนี่ยเพราะมันชอบกามนะมันอยากดูรูปสวยอยากฟังเสียงเพลาะรูปที่สวยเสียงที่เพลาะกลิ่นที่หอมถูก อ, อกถูกใจสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามาคุณอารมณ์ถ้าหน้าคามไม่ติดใจสิ่งเหล่านี้มั้นจิตจะไม่ไหลไปจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงโดยไม่ต้องรักษาถึงบอกว่าท่านมีสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางคือเห็นความจริงเลยว่าร่างกายนี้เป็นถูกล้นล้วน และจิตนี้ถ้ามีความอยากมีความยึดจิตมีความทุกข์ถ้าจิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นี่เป็นปัญญาปานกลางพระอราหารนะันตศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์พระอราหันต์บางองค์เข้าได้ปฐมฌานเองนะไม่ได้เข้าฌาน8ได้นะปุถุชนเข้าฌาน8ได้แต่บอกไม่มีสมาธิไหมพระอราหันต์เข้าฌานหนึ่งได้ท่า น, นเองบอกสมาธิบริบูรณ์ก็สมาธิชนิดตั้งมั่นไงละ่ะ ถ้าเราไม่รู้จักสมาธิว่ามี2ชนิดเราจะอ่านแล้วจะงงไปเลยอ่านธรรมะนะตำลับตารามีนะแต่แปลไม่ออกก็ไม่เข้าใจหรอกมั่วซั่วไปหมดนะปัญญาบริบูรณ์คืออะไรปัญญาบริบูรณ์คือเห็นความจริงว่าจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์พนระาอนาคาท่านเห็นว่าถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตถึงจะทุกข์ถ้าจิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์พระอรหันต์เห็นกลับข้างเลยมีจิตก็มีทุกข์ลนะ จิตนั่นแหละคือตัวทุกข์จะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าเห็นถือขนาดนี้มันจะสลัดคืนจิตออกไปนะไม่ยึดถือจิตนะจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกแล้วถึงเรียกว่าปัญญาบริบูรณ์นะงั้นพวกเราฝึกนะพวกเราตอนนี้ศีลเล็กน้อยสมาธิกระจุมกระจิมปัญญายังคิดคิดเอาอยู่ต้องฝึกนะต้องฝึกรักษาศีลห้านะรักษาศีลห้าไว้ แล้ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวทุกวันทําใน ร, รูปแบบถ้าวันไหนฟุ้งซ่านก็ทําความสงบวันไหนสงบดีแล้วเข้ามาฝึกใจให้ตั้งมั่นด้วยการคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดหรือจิตไหลไปอยู่ที่ท้องที่มือที่เท้าที่ลมอะไรเงี้ยคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนจะได้จิตที่ตั้งมัน่นแล้วถัดจากนั้นนะเราก็มีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกตัวมีชีวิตอยู่อย่างรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึก ถ้าทำได้อย่างนี้ไม่นานก็จะเห็นกายเห็นใจแสดงใจรักให้ดูนะใจรักไม่ใช่เรื่องคิดเอานะใจรักเป็นของจริงมีสภาวธรรมรองรับแล้วก็ต้องดูของจริงเอาไม่ใช่คิดคิดเอานะพอไหวไหมถ้ายังฟังไม่ทันนะคนที่มาใหม่ฟังหลวงพ่อครั้งแรกเนี่ยงงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามันไม่เคยฟังถ้าเคยฟังแล้วไม่ใช่เรื่องยากอะไรสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเบสิคที่สุดเลยง่ายที่สุดเลยนะ ถ้าใครภาวนาสักพักเดียวเนะยแล้วมาฟังซีดีหลวงพ่อซ้นะําเนี่ยจะรู้เลยว่าพูดซื่อเลยบอกตรงๆทุกเรื่องเลยไม่มีอ้อมค้อมเลยนะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรสักเรื่องเดียวนะหัดภาวนาไปแป๊บเดียวก็จะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละให้พวกเราฝึกนะฝึกเอาวันนี้เท่านี้ก็พอแล้วละนะครับเมวันนี้เทศได้สี่สิบห้านาทีนะครับขอบคุณครับหลวงพ่อครับมีส่งกันบ้านครับหลวงพ่ออ กราบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะพอดีโยมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โยมปฏิบัติต่อเนื่องนิดนึงอะค่ะ mm hmm. ก็คือแค่สดมนนั่นงสมาธิสั้นๆ mm hmm. ก็พอทีนี้เวลานอนเจ้าเวลานอนโยมก็ก็ยังพุโทโธไปค่ะ mm hmm. นี้พอพุโทโธพอสักพักนึงก็จะเห็นเหมือนกับไม่ไม่ใช่เห็นแนตะ่รู้สึกว่ามันเป็นตอนแรกตอแรกโยมนึกว่าผีค่ะ ก็คือรู้สึกมันมีอะไรเคลื่อนเคลื่อนอยู่ใต้ตัวค่ะเคลื่อนไปเคลื่อนมาแต่ตอนหลังพอเจอซ้ําๆกันน่ะโยมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัมันไม่มีอะไรเคลื่อนอยู่ข้างใต้แต่ตัวตัวโยมเองเนี่ยมันกลายเป็นมวลมวลเคลื่อนไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมาแน่รูปรูปมันเกิดดับให้ดูนะอ๋อเหรอจังค่ะโยมก็ไม่รู้คือดังนั้นต้องมีสมาธิมากพอถึงจะเห็นการดูกายที่หลวงพ่อบอกดูกายยากนะต้องมีสมาธิรองรับนะอย่างนั้นเห็นไม่ไม่ใช่ตัวคนนะ <c oughs> ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่มวลเปแค่กลุ่มของคลื่น <c oughs> ร่างกายนี่นะวัตถุไม่เฉพาะร่างกายคนนะวัตถุทั้งหมดเลยนะะ <c oughs> พอแยกลงไปละเอียดนะใช้สติปัญญาแยกลงไปเฉพาะว่ามันคือคลื่นทั้งหมด <c oughs> มันเหลือแต่คลื่นกระทั่งแสงก็เป็นคลื่นนะ <c oughs> แล้วสติปัญญาเราพอไม่เห็นมีแต่คลื่น <c oughs> คลื่นนั้นถามว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรชัดเจนไหมไม่เป็น <c oughs> เป็นความน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนน่าจะเป็นอะไรเงั้นเท่านั้นเองค่ะก็เอ่อพอเห็นเป็นมวลมวลเป็ไม่ใช่เห็นรู้สึกเป็นมวลถลยไปไว้มากไว้ไปไว้มากแล้วก็หลักไปจ้าค่ะก็เป็นอย่างนี้ตลอดแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเกิดตอนที่กําลังกําลังนั่งอยู่ค่ะในเวลากลางวันก็เลยยงก็เลยรู้ว่าไม่ใช่ผีละอันเนี้ยแต่ก็ไม่รู้คืออะไรอยู่ดีจ้าค่ะก็ไม่ทราบก็คือรูปนั่นแหละค่ะก็แล้วเห็นไปก็ ดูไปสินะแต่ถ้าใจมันกลัวขึ้นมาให้รู้ใจกลัวใจมันสงสัยให้รู้ว่าสงสัยค่ะเห็นรูปแล้วถ้าใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็รู้ทันจิตใจไปค่ ะ, <น>ะ <c oughs> ก็ดูไปเรื่อยๆนะอาจารย์เห็นไหมตัวที่ยิ้มอยู่ไม่ใช่เราเหรอกตอนนี้ไม่เห็นไง เ, เห็นมันตัวดดเองดูสินะ ด, ดูค ด, ดูแล้วมันจะไม่มีเราค่ะมีแต่วัตถุรูปธรรมก็นามธรรมเท่านั้นเจ้าค่ะแล้วครั้งหนึ่งเคยเดินจงกรม ม่ชจนจมกผมเวลาเดินเนี่ยให้รู้ตัวว่าเดินตลอดค่ะก็คือพยายามไม่สมเจียรข้างนอกนะคะก็คือให้รู้ตัวตลอดทีนี้มันอยู่จังหวะหนึ่งที่กําลังเดินอยู่ๆมันก็แวบขึ้นมาว่าเออชีวิตมันมีแค่นี้เองมันไม่เห็นมีอะไรเลยแค่นั้นาดแต่ว่ามันจําได้มัน ม, มันเป็นจังหวะที่แบบทุกวันที่โยนยันจาแต่ไม่รู้นั่นคือปัญญาหรือเปล่าเจ้าคะเป็นปัญญานะแ <c oughs> ต่ยังไม่ใช่ปัญญาในองค์มรรคตัวนั้นปัญญาแหละ เวลาจิตเรามีสมาธิพอนะบางทีปัญญาผุดขึ้นมาแล้วปัญญาที่ผุดขึ้นมาในขณะที่จิตทรงสมาธิอยู่เนี่ยมันฝังลึกเข้าไปในใจมันจะทราบซึ้งนะแล้วสมมติว่าชาตินี้เกิดไม่ได้มรรคผลนะชาติต่อไปเนี่ยอยู่ดีๆไอ้ตัวนี้ขึ้นมาอีกนะขึ้นมอีกมันจะขึ้นมาได้อีกเพราะมันสะสมเข้าไปคือบุญบารมีต่างๆที่เราสร้างนะมันจะสะสมเข้าไปแล้วถึงเวลามันจะขึ้นมาอย่างพระย่าสะเคยได้ยินชื่อไหมพระย่าสะนะ ตื่นขึ้นมากลางดึกนะมองเห็นอีหนูเหมือนเห็นศพนี่ถ้าท่านเคยทำงานแบบปอเต็กตึงที่ไปเก็ บ, บาศาพและญาติเอาไปเผาเนี <c oughs> ไปกระชวนกับเพื่อนเพื่อนห้าสิบกว่าคนเป็นแก๊งเป็นก็ได้ไม่ใช่แกง๊งก็คล้ายๆสมาคคมนะ <c oughs> เก็บศพมาเผาอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเผาศพผู้หญิงสาวๆเพิ่งตายใหม่สวยพอเผาไปเนี่ยไฟลวกผิว เพราะตัวดังๆแล้วก็เริ่มชี้ให้เพื่อนดูดูสิสวยๆอยู่ตะกี้ตอนนี้เหมือนบัวด่างเอาไปเรื่อยท่้นก็ชี้ไปเรื่อยคือท่านได้อาสุภกรรมฐานเนี่ยท่านมีปัญญาขึ้นมามันฝังเข้าไปในใจคพอถึงเวลามันก็ปลิดดอกออกผลลงมาหยุดอยู่ไม่ได้แล้วอย่างนั้นแหละเป็นปัญญาค่ะกราบขอบคุณเจ้าค่ะคจิตต้องถึงฐานนะคพยายามอยู่ใช่ปะให้รู้ทานจิตให้มันไม่เข้าบ้านค่ะนะ ก, กลับนพิธการหลวงพ่อคะ่ะคือธรรมดาเวลาโยมปฏิบัตินะคะโยมโยจะยอยู่ยค่ะโยมจะอยู่กับความพอดีความเป็นปกติของจิตคะ่ะ อ, อ, อยู่ยังไงละ่ะคือเหมือนกับเวลาเรารู้สึกตัวคะ่ะแล้วก็สูตรลมหายใจนิดนึงแต่ไม่ลึกคะ่ะเพราะว่าถ้าตามอานาปานาสติมากไปโยมจะไปอยู่ลึกกับ อนาปานสติจนบางทีได้ความสงบค่ะได้ความสงบแล้วก็จะไม่จะไม่อยู่กับความพอดีะคะ่ะจะหลงไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกความพอดีเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ถ้าเรามีโลภะขึ้นมาปั๊บนะสิ่งที่ทาก็คือสร้างพบสร้างชาติทั้งหมดเลยไม่พอดีล ะ, ะตัวพอดีเนี่ยเกิดจากรู้ทันกว่าไม่พอดีค่ะเพราะฉนั้นถ้าใจไหลไปคิดเรารู้ทันเนี่ยในภาวะในขณะ ที่รู้ทันว่าใจไหลไปขนะนั้นจะพอดีแล้วเราจะไม่รักษาไว้เราให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือจิตที่เป็นกลางหรือจิตที่พอดีเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเอาตัวนี้เรามีจิตที่รู้ตื่นเบิกบานเป็นกลางขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเพื่อจะเห็นว่าจิตเมื่อกี้เป็นอย่างหนึ่งจิตเดี๋ยวนี้เป็นอย่างหนึ่งกระทั่งจิตที่เป็นผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนั้นเราไม่ได้ฝึกเอาจิตที่พอดีรักษาเอาไว้นะ แล้วก็จะให้เห็นว่าจิตที่ไม่พอดีเกิดแล้วก็ดับจิตที่พอดีเกิดแล้วก็ดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับค่ะเพราะพอรู้ทันก็เหมือนจะวางลงวางลงนั้นก็คือความพอดีของโยมพี่โยมนึกเราก็ดูไปตัวนี้ก็ไม่เที่ยงอีกเดี๋ยวก็าไปยิบอีกใช่ค่ะเราไม่รักษานะค่ะดียังไม่รักษาเลยแล้วถ้ามีคนถามว่าโยมใช้อะไรเป็นฐานในการปฏิบัติโยมจะตอบว่าอะไรคะเพราะบางทีโยมก็อยู่กับลมหายใจบางทีก็อยู่ คืออยู่กับลมหายใจถ้าอยู่เป็นเน่ยเราก็รู้ทันจิตใช่ไหมเรื่องอนาปานสติคือมีสติอยู่กับลมหายใจหแปลว่าเรารู้ทันจิตอยู่จิตเคลื่อนแล้วเรารู้จิตเคลื่อนแล้วเรารู้นะอย่างนี้ก็ถือว่าเรามีลมหายใจเป็นบ้านให้จิตอยู่พอจิตหนีไปจากบ้านเราก็รู้ทันก็ใช้ลมเป็นวิหารธรรมอย่างนี้จะบอกว่าใช้จิตเป็นวิหารธรรมใช้จิตเป็นฐานได้ไหมคะใช่ใช้จิตเป็นฐานเนี่ยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆนะ ก็จะยากขึ้นนิดหนึ่งจ ะ, ะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็รา้ายอะไรเงี้ยดูไป<ะ>ตรงที่ทมอานาปนาสติแล้วรู้ทันจิตเนี่ยนะะเป็นเรื่องใหญ่เลย<ะ>ตอนหลวงพ่อเด็กๆตั้งแต่เจ็ดขวบทํำอนาปนาสติ<ะ>อยู่ยี่สิบสองปีนะทําแล้วหายใจไปเรื่อยนะใจลมเด๋จวตื้นๆใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นแสงเสร็จแล้วก็อยู่กับแสงสบาย บาที่จิตก็เคลื่อนตามแสงออกไปนะไปเที่ยวข้างนอกนะเที่ยวนรกสวรรค์นรกนี่ไม่ยอมไปเลยกลัวไปเห็นผีกลัวผีแล้วสวรรค์นะลืมไปว่าเทวดาก็เป็นผีเหมือนกันไม่กลัวอะไ น, นี้อย่างนี้สมาธิอย่างนี้ใช้อะไรไม่ได้เลยต่อมาเพราะว่าไม่ใช่ทางอ่ะนะต่อมาเวลาหายใจนะแล้วใจจะเคลิ้มเนี่ยไม่ให้เคลิมจะทําความรู้สึกตัวให้แรงขึ้นแล้วรู้สึกตัว หายใจไปพอจิตเคลื่อนไปรู้ทันก็จิตก็ตั้งมั่นจิตเคลื่อนแลอรู้ทันจิตตั้งมั่นแล้วได้จิตที่มีสมาธิขึ้นมาคือมีอารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วจิตเคลื่อนแลอรู้ทันจิตเคลื่อนแลอรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นมีพลังแล้วก็เจริญปัญญาดังนั้นเราก็ต้องมาฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นจิตขนาดนี้อยู่ที่ไหนเมื่อกี้ฟังหลวงพ่อค่ะจิตมาอยู่กับหลวงพ่อนะแล้วก็หนีไปคิดตอนนี้ออกไหมตอนนี้ กลับมาแล้วรู้สึกไหมมีน้ำหนักเกิดขึ้นในใจไหมถ้ามีน้ำหนักเนี่ยแสดงว่าจงใจบังคับอยู่ตึงเกินไปแต่ถ้ารู้ทันแล้วก็จะปล่อยวางว่างสบายเราไม่ได้อาว่างนะต้องระวังนะว่างก็ไม่เจียงเดีดยวนีะต่อไปคนนคนสุดท้ายกลุ้มใจไหมอีกนานเลยกว่าจะถึงคนสุดท้ายต้าเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเลย นอกจากถูกกดดันมานานนะฟังบางทีคนอื่นเขาโอ้เขาเก่งจังเลยเราจะทําไงอะไรยนีะคนที่รอฟังอยู่เขาก็ไม่อยากฟังเขาอยากกลับบ้านมันมีแรงกดดันเยอะเลยน่าสงสารอะครับนักประสาทครับหลวงพ่อผมส่งกันบ้านในรับสองปีครับคือภาวนามาเห็นจิตมันพยายามจะวางจิตนะครับหลวงพ่อพอมันแค่พยายามมันก็รีบ ไม่ได้รีบดึงกลับเลยไม่ได้นะไม่ได้มันวางไม่ได้คัดวางไม่ได้มันวางด้วยปัญญานะไม่ใช่เราวางครับใช่ครับไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานเองนะเมื่อปัญญามันแจ่มแจ้งแค่แค่พยายามมันก็รีบดึงกลับไปแล้วนะครับแต่ไม่พยายามทีไหทุกททีใช่ครับจิตมีความอยากจิตมีความทุกทุกทีครับของคนต้องพยายามรู้สึกตัวนี้นะจิตเคลื่อนเรารู้ ใจต้องสบายกว่า น, นี้ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมไม่ครับเออถ้าเหมือนตรงนี้ใช้ไม่ได้เลยนะตึงเกินไปใช่ครับนะได้สบายบจิตเข้าฐานหรือเปล่าช่วงนี้ไม่ครับออช่วงนี้ไม่ให้รู้ทันนะตัวนี้ตัวแตกหักเลยถ้าจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ถึงจิตเนี่ยไม่เกิดมรรคเพราะเวลาที่เกิดระยะมรรคจิตรวมลงที่จิตที่เดียวเลยนะแล้วเอ่อต่อไปนะครับในที่ประชุม น, นี้ผมจะ ช่วงหนึ่งคือช่วงนี้ยนะครับเวลาเคลื่วเวลาเคลื่อนไหวอย่างเงี้นะครับเคลื่อนไหวกล้จะสติจะเกิดเกิดทียิบจนจนบางวันผมเหนื่อยอ่ะคือมันมันเกิดจนไม่ว่าทําความสงบผมก็เลยมาใช้ลมหายใจใช้ลมหายใจแล้วก็ทีนี้ว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมเจริญสติยิสีชั่วโมงนะครับคือช่วงเข้านอนด้วยไม่ถึงว่าช่วงนอนหลับทั้งกลางคืนหรือกลางวันถ้าเกิดนอนหลับเนี่ยผมก็จะดู ดูกายมันหลับไปจนถึงมันตื่นอืตัวอย่างเช่นเวลานอนโคลนเวลาฝันมันก็จะเห็นมันเห็นเห็นมันตลอดอัตโนมัติครับอัตโนมัติเห็มันตลอดตั้งแต่หลับจนถึงตื่นแต่ว่าจิตเราจะตื่นก่อนก่อนกายแล้วก็ช่วงตื่นก็จะเห็นจิตมันมันเคลื่อนขึ้นมาไหมครับแล้วมันจะเห็นเคลื่อนจากว่างๆนะครับหลวงพ่อแล้วก็บางทีมันจะเฉยๆคือมันจะตื่นนมาก่อนมันจะอารมณ์แรกนะอารมณ์แรกที่ตื่นมันจะ เฉยๆฟังว่างครับบางทีมันก็เกิดโมหะบางทีมันก็เกิดปิติออืทีนี้ว่ามันก็เกิดความอยากว่าอยากให้เกิดคือมันมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับหลวงพ่อถ้าวันใดผมตั้งใจมันจะไม่ได้เลยบอกไว้หลายทีแล้วถ้าถ้าตั้งใจทํำนะจงใจทําไม่มีหรอกของคุณต้องไปเพิ่มแต่นี้นะเพิ่มการพักจิตบ้างมันเดินปัญญารวดไป ขับเหนื่อยครับนั่นแหละทําสมธาธิบ้างถ้าทําได้นะถ้าทําไม่ได้นะพุโทโธพุโทโธพุโทโธผมผมใช้ลมหายใจนะครับใจแต่ว่าแต่ว่ามันปัญหาผมมันคือว่าสติมันมันมันไม่เอาเลยถึงเวลาที่จะพักเนี่ยนะไม่เจริญปัญญานะจงใจพักเลยน้อมมันกลับมามันจะไปดูความไหวของจิตไม่เอาเรมารู้ลมหายใจต่อ คือการเจริญปัญญารวดไปเลยนะเราละเอียดอย่างนี้เหนื่อยไตชักเลยครับเหนื่อยเขาไม่ได้หรอกมันสีเลยครับเออไม่ได้แล้วไม่ตัดจะไม่เกิดมากนะครับเั้นต้องพักให้พอแล้วเมื่อทีผมขับรถมันก็สติมันก็สีๆอยู่นั่นแหละจนจนไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ได้ต้องพักไม่มีเมื่อสติปัญญาเนี่ยทํางานอัตโนมัติแล้วที่พักของจิตเหลือที่เดียวนะคือสมถากรรมฐานคือมาถึงว่าให้ผมไปทําสมถะใช่เบรกตัวเองเป็นช่วง ครับถ้าตะลุมบอลตลอดเวลาเนี่ยจะไม่ได้ผลหรอกแต่ว่ามันตะลุมเองนะครับผมไม่ได้ทํานั่นแหละมันเป็นทุกคนแหละลองไปอ่านประวัติอาจารย์มหาบัวครับตอนที่ท่านไปอยู่กับหลวงปู่มั่นครับทีแรกท่านหัดพุทโธพุทโธนะสงบลูกเดียวเลยทุกวันรายงานหลวงปู่มั่นว่าสงบสงบนะถูกดุสุด ท, ท้ายถูกดุเห็นไหมครับก็ทําเป็นลือสีเหรอให้เจริญปัญญาครับ ว่าท่านเจริญปัญญาคราวนี้ไม่ยอมทําสมถะเลยทุกวันก็มารายงานแต่มีปัญญาปัญญานะหลวงปูมั่นก็ด๋อยู่ว่าฟุ้งซ่านนะคือคือปัญหามผมพอแลมันจะไปสงบมันก็ไม่ยอมอีกนะครับไม่ยอมต้องบังคับมันน้อมมันไปน้อมมันไปไม่ถึงว่าน้อมใจไปเรา ท, ท, ท, ที่ที่เราไายใจเลยใช่ไหมครับใช่ต้องน้อมไปครับขอบคุณมากครับของคุณต้องทํานะไม่ทําสมถะมันเหนื่อยเกินการเจริญปัญญารวดไปนี่นเป็นทางของสุขภาพจิตกะ แต่ว่าของคุณเดินสุขภาวะสกาล้วนๆเนี่ยไม่ไหวเดี๋ยวมันเครียดเกินพอเครียดแล้วเนี่ยไม่มีทางเกิดมรรคเลยครับน้ำมศกาหลงพ่อครับก่อนอื่นก็ขอขมาหลวงพ่อกันครับ <c oughs> ก็เมื่อสองปีที่แล้วหลวงพ่อทักว่าระวังจะหยุดครับระวังจะเลิกมันก็เลิกไปช่วงหนึ่งจริงครับ <c oughs> ก็ปล่อยลงไปตามโลกตอนนี้ก็เริ่มเบื่อโลกอีกรอบนะครับก็กลับมามันเบื่อๆอยากๆนะ ก็อทําให้รูปแบบมากขึ้นนะครับหลวพ่อก็แต่ที่ผ่านมาก็เจอสติในชีวิตจวันตลอดนะครับแต่ตอนนี้พอรูปแบบมากขึ้นก็ยังรู้สึกว่าตัวเองก็มีปัญหาอาการที่ไม่พอใจอกับความทุกข์หรือว่าความโกรธอะไรอย่างนี้ครับก็อยู่ที่ไม่เป็นกลาง ก, ก, ก็พยายามจะไม่ได้พยายามทําให้เป็นกลางนะครับแค่รู้ทันว่าจิตไม่เป็นกลางครับ เพราะเราจะภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้ได้เราภาวนาให้เห็นว่าเราบังคับไม่ได้ครังนั้นจิตไม่พอใจเขาไม่พอใจได้เองครของคุณเป็นพวกปัญญากล้านะไปดูในมุมที่ว่าเราบังคับไม่ได้ครับหลวงพ่อจะให้ไปเพิ่มเติมตรงไหนบ้างครับหลองจากหมู่นี้ทาให้สม่ําเสมอนะอย่าเลิกนะครับไม่เลิกครับแล้วก็พอดีจะรบกวนถามหลวงพ่ออีกเรื่องครับพอดีคุณแม่พอดีไม่ได้มานะครับจะ จะเข้ารับการผ่ า, ผาตัดแล้วก็การรักษาเนี่ยครับคือคุณแม่กลัวการผ่าตัดมากครับแล้วก็กลัวการรักษามากไม่ทราบพอจะมีอุบายหรือพอมีวิธีไงให้เคยภาวนาไหมแม่ <c oughs> คุณแม่ก็ฟังสิหลวงพ่อเคยไปที่สวนไสรธรรมบ้างครับแต่ว่าก็ได้แค่นั่งสมาธินิดหน่อยแล้วก็ฟังสวมดน <c oughs> มนต์อะไรองี้ครับ <c oughs> บอกแม่ลองหักดูนะ <c oughs> กายส่วนกายจิตส่วนจิตค่อยๆฝึกอ่ะนะลองดูถ้าทําได้นะมันก็จะสบายขึ้นเยอะเลย กระทั่งความเจ็บปวดเนี่ยบางคนเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งปกติปวดมากครับ <Okay. S 2> แต่พอเขาแยกขันเป็นกายส่วนกายนะเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตเนี่ยบางคนเนี่ยนะลดการให้มอฟีนลงไปเยอะเลยนะมันปวดน้อยลงไปเยอะเลยครับ <Okay. S 2> เพราะว่าอะไรปกติใจเราตกใจใจเราฝ่อพอร่างกายปวดนิดนึงนะใจจะไปขยายความรู้สึกมันปวดกว่าความเป็นจริงคร <Okay. S 2> นะลองสอนให้แม่แยกขันดูนะครับ okay. ถ้าแม่ทำได้ก็บุญนักหนาเลยคนระับขอบคุณครับนั่งขาดสมาธิก็ได้นะการนันมาการนั้นมาสการหลวงพ่อครับจะเรียนถามว่าในขณะที่เราตามดูเวทนาเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันเป็นการดูให้ชัดๆเนี่ยที่ในสภาวะที่เขาเกิดดับเนี่ยทายังไงที่จะให้อยู่ในสภาวะที่พอดีที่ไม่เป็นการอย่าอย่าไปจงใจดูให้ชัดนะครับ คำว่ารู้ชัดคำว่ารู้ชัดเนี่ยหมายถึงรู้ตามความเป็นจริงนะเวลาดูเวทนาก็ให้เห็นในเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะแล้วก็เห็นในเวทนาไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับมันได้นะับแค่แค่รู้แค่รุนแลงก่อน่งงการนั้นก็พอใช่ไหมครัคำว่ารู้ชัดรู้ชัดไม่ใช่รู้ชัดชัดนะคำว่ารู้ชัดในสติปัฏฐานเนี่ยรู้ตรงตามความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือ เวทนาไม่ใช่กายเวทนาไม่ใช่จิตเวทนาเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งที่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เวลารู้เวทนาก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นจิตต้องไม่ไหลไปที่เวทนานะจะเห็นเวทนาเหมือนเห็นคนอื่นนะจิตจะไม่เข้าไปรวมรวกับเวทนาบางสภาวะมันก็เข้าไปดูไปคลุกกับเวทนาบางัว่ามันก็ถอยมาถ้ามันเข้าไปคลุกให้รู้ทันนะในขณะที่เข้าไปคลุกเนี่ยไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริง แต่ตรงที่มันเข้าไปคลุกเรารู้ทันนีจิตจะถอยขึ้นมาเองนะอย่าจงใจถอยนะครับแต่ในสภาวะนั้นที่เราไปคลุกเราก็เห็นในสภาวะเขเปลี่ยนแฝงของวิธนันเนครับผมเห็นแต่ว่า<ป>จิตไม่มีพลังหรอกรนะมันคล้ายๆอย่างนี้เหมือนเรายือนอยู่บนบกนะเห็นอะไรลอยมาในน้ําเราอยากดูให้ชัดเราโดดลงน้ําไปด้วยมันก็จะอยู่ลอยไปด้วยกันใช่ไหมตัวเราเองจิตเราแหลกเคลื่อนไปด้วยจิตไม่ตั้งมั่นมันก็จะเห็นเผชิญหน้ากันไปเรื่อยๆนหละ แต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นนะแปบ๊บเดียวทุกอย่างก็ไปขาดนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะจิตตื่นเต้นกัธรรมดาใครคุยกับหลวงพ่อก็ตื่นเต้นถ้าถามว่าจิตระหว่างภาวนาค่ะระหว่างความคิดที่ว่าเราคิดไปเองว่าเรารู้สุขรู้ทุกข์อยู่กับไอ้รู้สุขรู้ทุกข์นี่มันเป็นปัญญาจริงๆมันแตกต่างกันยังไงอะไรนะ ไอ้ไอ้ระหว่างที่ความคิดที่ว่าเรากำลังรู้สุกรู้ทุกอยู่ในขณะที่เราภาวนากับความแตกต่างที่ว่าไอ้รู้สุกรู้ทุกของเราอ่ะมันมันเกิดมาจากปัญญาจริงๆเนี่ยค่ะคือปัญญาต้องเห็นใจลักนะงั้นอย่างมีความสุขความทุกข์ขึ้นมาเรารู้ทันตัวนี้รู้ด้วยสติสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจ เราก็จะเห็นถ้าเกิดความเข้าใจเราก็จะเห็นเลความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตใจความสุขความทุกข์ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็หายไปบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้อย่างนี้ถือจะเรียกว่าเป็นปัญญานะถ้าไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ไม่เป็นวิปัสสนาปัญญาซึ่งเราอาจจะคิดไปเองก็ได้ในบางครั้งดูของจริงเราไม่ต้องกลัวเรื่องปัญญาให้ดูสภาวะจริงๆความสุขเกิดขึ้นให้รู้ รู้ได้ใจที่สบายๆเป็นแค่คนดูรู้สึกตัวอยู่เห็นใจมันมีความสุขแล้วจะเห็นในความสุขมาแล้วมันก็ไปอย่างนี้ปัญญามันถึงจะเกิดไม่ต้องคิดเอาค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราไม่ได้คิดเอาอย่างเงี้ยค่ะโอ้รู้สิมินยูชนรู้ด้วยตนเองนะใช่ไหมคะรู้ถ้าถ้ามันเป็นรู้ขึ้นมาแนละ้วอ๋อค่ะขอบพระคุณมาก ค, คิดเอา<ะ>ไม่รั้งกิเลสหรอกค่ะมค่ะกราบนรรมสการค่ะ มาครั้งแรกค่ะจะมาข อ, อกันบ้านลูกเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้สักสามสี่เดือนค่ะแล้วมันเพลียกักกิเล็ตลูกมากเลยค่ะมันเยอะมันมันมาทีแบบหลายตัวมากเลยค่ะแล้วก็เหนื่อยกับมันมากแต่พยายามจะจะดูมันตามปกติแหละค่ะแต่ว่ามันก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลูกทำมันบางวันมันเหมือนลูก ตามทานันดูรู้บางวันมันเหมือนลูกเพ่งเกินไปลูกก็เลยจะมาข อ, <ำ>ขอกันบ้างธรรมดานะหัดใหม่ๆนะไม่ตึงไปก็หย่อนไปไอพอดีไม่ค่อยมีหรอกหย่อนไปก็คือลืมมันลืมกายลืมใจนะเพ่งก็คือไปควบคุมมันจะแน่นๆนะถ้าเมื่อไหร่มันลืมไปแล้วเราคอยรู้นะถ้าเพ่งอยู่เราก็ค่อยรู้อยากจะเลิกเพ่งก็รู้ว่าอยากอีกนะรู้ทันจิตไปเรื่อยๆอย่างเวลามันแน่นๆอยากหายไหม อยากหาให้รู้ที่อยากไม่ต้องไปรู้ที่แน่นนะให้รู้ที่ความอยากค่ะแล้วลูกปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีกันบ้านอะไรเพิ่มไหมคะพยายามรู้สึกตัวนะดูร่างกายเคลื่อนไหวบ่อยๆด้วยค่ะร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมเมื่อกี้ทะดูกายชัดกว่าดูจิตนะค่ะดูกายบ่อยๆเห็นใจที่งงไหมเห็นค่ะเห็นไหมกําลังง ง, งอยู่เห็นไหมยังไม่เลิกงง ตอนนี้ไม่เห็นอะไรแล้วค่ะคือถ้าเห็นแท้จริงนะอย่างจิตกำลังสงสัยถ้าเรารู้ว่าจิตสงสัยนะความสงสัยจะขาดสะบ้านตรงนั้นเลยนะสภาวะทั้งหลายเนี่ยที่เราไปรู้มันเนี่ยเราไม่ได้รู้เพื่อวความฉลาดรอบรู้อะไรมากมายหรอกเรารู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเช่นความสงสัยเกิดขึ้นเรารู้ว่าสงสัยนะก็เห็นว่าความสงสัยดับก็แค่นี้เองพอละ บางวันที่ลูกทานแล้วแล้วลูกคิดอะไรอยู่หรือเกิดอะไรขึ้นแล้วมันหยุดพอมันหยุดปุ๊บเนี่ยมันมันหยุดด้วยตัวมันเองหรือว่าลูกไปบังคับมันมันหยุดด้วยตัวมันเองตอนที่เรากำลังเผลอๆอยู่นะมันรู้ตัวขึ้นมาวับมันจะหยุดของมันเองชั่วขณะแต่ถัดจากนั้นเราจะบังคับมันมันจะแน่นๆมันจะเป็นสองจังหวะต่อกันนะ3จังหวะหลงไปรู้ว่าหลงแล้วก็บังคับ ตรงที่รู้ว่าหลงเนี่ยมีอยู่ช่วงขณะแวบเดียวเทะะ่านั้นจ้าค่ะหัจากนั้นจะเริ่มบังคับใจกใ็จะทื่อๆตึงๆจ้าค่ะกลัขบขอบพระคุณเจ้าค่ะกลับนมำสการหลวงพ่อค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าโมหะแย่ให้ดูกายเยอะๆกลับไปดูกายตอนนี้พยายามรู้สึกตัวอยู่ตลอดนะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงยังเห็นแล้วค่ะดีแล้วล่ะทำถูกแล้วทา ถ, ถูกแล้วต้องทาอีก ก็ดูกายต่อไปเรื่อยๆดูกายดูกายก็เห็นจิตพอเห็นแวบก็รู้ตัวนั่นแหละว่าคิดอะไรแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองต้นนั่นแหละเรามีกายานุปัสนาสติปัฏฐานกายานุปัสนาสติปัฏฐานนะไม่ใช่ว่าไม่รู้จิตนะจิตถ้าเป็นคนรู้กายใช่ค่ะเพราะขาดสติก็คือจิตจะหลงไปพอหลงก็รู้แบบพอหลงก็รู้ก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็มารู้สึกกายแต่ไม่จงใจรักษาความรู้สึกตัวของคุณทําได้ถูกแล้ว บางคนกลัวหลงนะพยายามรักษาความรู้สึกตัวอันนี้ตึงเกินไปของโทถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแต่ยังฟุ้งซ่านอยู่ยังฟุ้งเก่งอยู่ทําในรูปแบบนะแล้วก็ทําทความสงบจิตบ้างหรือทําวันไหนสงบพอสมควรแล้วทําในรูปแบบแนละ้วจิตเคลื่อนแต่เรารู้จิตเคลื่อนเรารู้นะฝ <c oughs> ึกให้ชํานาญสมาธิเราต้องต้องแกล่งพอสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตแต่ไม่ได้ตั้งแบบบังคับนะ ตั้งโดยไม่ได้บังคับถ้าบังคับเนี่ยตึงเกินไปถ้าไหลไปหย่อนเกินไปตรงพอดีเนี่ยพูดยากยากเพราะพอดีทําไม่ได้ถ้าทำเมื่อไหรไม่พอดีอาจจะตึงเกินไปการรัมมัชการเจ้าพระรองพ่อเอเดินในรูปแบบทุกวันนะเจ้าค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ก็เห็นจิตตั้งมั่นอืค่อนข้างมากขนาดนี้ตั้งมั่นไหม ขณะนี้ไม่ตั้งมั่นเจ้าค่ะขณะนี้จิตยอยู่ที่ไหนอยู่ที่หลวงพ่อเจ้ า, จาตอบถูกใช้ได้เจ้าค่ะ <c oughs> พอตั้งมั่นมากเนี่ยก็ทําให้เห็นเวลาสิ่งอะไรที่เข้ามากระทบในใจ <c oughs> ก็เห็นแล้วก็รู้แค่แปะรู้เท่านั้นแล้วก็คลายได้เร็วเจ้าค่ะ <c oughs> แล้วก็เห็นว่ามันคลายได้ด้วยตัวมันเองเจ้าค่ะ <c oughs> เราไม่ได้ภาวนาให้คลายหรอกนะเจ้าค่ะเราเห็นว่าทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยเกิดแล้วก็ดับตัวจิตที่เป็นคนรู้เองอ่ะก็เกิดแล้วก็ดับเราจะไม่รักษาให้เที่ยงนะ อไม่ใช่รักษาตัวรู้ให้คงที่ทั้งวันทั้งคืนเราไม่รักษามันหรอกเราต้องการให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับคําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือทั้งอารมณ์ทั้งจิตนั่นแหละเกิดแล้วก็ดับเจ้าค่ะก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้จิตมันค่อนข้างสว่างดีสวา่างถูกแล้วแต่เราไม่ได้เอาสว่างน ะ, ะเราให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้หรอกขอโอกาสหลวงพ่อช่วยชี้แนะว่าที่เดินอยู่ทุกวันนี้ถูกแล้วนะเจ้าค่ะ แต่กําลังยังไม่พอนะเจาค่ะต้องฝึกใจไหลแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้เนี่ยฝึกเจ้าค่ะแต่ไม่บังคับนะเจ้าค่ะฝึกให้ชํานาญจิตจะมีพลังเจ้าค่ะถ้าจิตมีพลังครานี้เราจะเห็นทุกอย่างเกิดดับเกิดดับไปหมดเลยเจ้าค่ะนะเลยที่ไม่ได้รักษาไว้ด้วยเจ้าค่ะกลับกลับน้ำสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อกี้ได้ฟังพระอาจารย์ตอบมาก็ค่อนข้างจะเคลียร์ปัญหาที่ตัวเองมีอยู่บ้างแล้วเจ้าค่ะ คือเพิงเอื่นไปปฏิบัติในแนวของสติปัฏฐานสี่เจาค่ะแล้วก็ใช้อาการยุบผ่องเป็นตัวกรรมฐานนะเจ้า่ะทีนี้ปฏิบัติไปการที่จะบอกว่าจเจริญด้วยปัญนาจเจริญสติได้เนี่ยท่านบอกว่าต้องแยกกายใจให้ได้ให้เห็นรูปให้เห็นรูปธรรมนามธรร ม, มซึ่งมีความรู้สึกตัวสภาวะตัวนี้มันมันมันสาหัสเหมือนกันนะเจ้ค่ะอยากจะขอความกรุณนาท่านสิ่งนะสําคัญนะเมื่อก่อนไม่สอนกันอย่างนั้นหรอก เราสอนให้เพ่งอยู่ที่ท้องครับคุณเจ้าหลวงพ่อเทศมากมากเข้าเดี๋ยวนี้อยแยกกายแยากใจดีขึ้นนะย่ายากอะไรนะยิ้มอยู่รู้สึกไหมเห็นไหมวางไมนะเห็นไหมพนมมือไม่แค่รู้สึกนะไม่เพ่งนะไม่ใช่แลอย่างนี้ไม่เอาเลยนะผิดธรรมดาเห็นไหมยักหน้านใจเราเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูนะ แต่ถ้าแยกกายกับใจไม่ออกเนี่ยทำไงบางคนแยกไม่ออกแยกความรู้สึกกับใจอย่างใจมันขี้โมหโหของโยมขี้โมหโหไห ม, มไม่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเพ่งอยู่เปล่ายังจะมีสติเ้าค่ ะ, ะตัวนั้นเรารักษาไว้จะไม่โมโหน ะ, ะ, ะแต่ถ้าปล่อยเมื่อไหร่ตอนนี้โมหโหแล้วค่อยๆสังเกตความรู้สึกในใจนะความรู้สึกเอาสามอันพอ ใจเป็นสุขรู้ทันใจเป็นทุกรู้ทันใจเฉยเฉยรู้ทันของยมแถมอีกตัวใจช่างคิดะช่างคิดไหมใช่ค่ะเจ้าค่ะใจมันสงสัยใจมันช่างคิดรู้ทันนั่นใจสุขก็รู้ใจทุกก็รู้ใจเฉยก็รู้ใจสงสัยขึ้นมาก็รู้ะหัดรู้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นเลใจที่สุขนะมันสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปใจเราเป็นคนดู ใจที่ทุกข์ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปใจเป็นคนดูใจที่เฉยนะเราก็รู้นะเฉยชั่วคราวก็หายกลายเป็นฟุ้งซ่านกลายเป็นอะไรไปอย่างนั้นอีกนะใจเราเป็นแค่คนดูความสงสัยเกิดขึ้นมารู้ว่าใจสงสัยใจเราก็เป็นแค่คนดูนะฝึกอย่างนี้ต่อไปก็แยกขันได้เหมือนกันนะแยกขันเนี่ยจะแยกจากรูปธรรมกับ น, นามธรรมก็ได้แยกจิตกับเจตสิกก็ได้ก็คนละขันเหมือนกัน ทำไมต้องแยกขันถ้าแยกขันได้เราจะเห็นว่าตัวเราไม่มนะีตัวเรามันเกิดจากการที่ขันมันมารวมกันแล้วสัญญาเข้าไปหมายรู้ผิดๆว่า ม, มีตัวเราเหมือนอย่างเราไปหมายรู้ว่ารถยนต์มีจริงๆแต่พอเราถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆแล้วรถยนต์ก็หายนะที่เราแยกขันก็เพื่อจะถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นชิ้นๆแล้วแต่และชิ้นจะไม่มีเรานะรรไม่ได้ทำเพื่ออย่างอื่นหรอกทำเพื่อสิ่งนี้นะคะกล่าวขอบคุณเจ้าค่ะ ของยมหน่พ่อแถมกันบ้านให้ข้อหนึ่งนะต้องค่อยๆฝึกจนลดการประคองจิตลงนะรักษาจิตจนมันนิ่งเกินไปรู้สึกไหมมันจะค่อนข้างจะเที่ยงนิดซ้าไปตัวนี้ต้องปล่อยนะแต่ไม่ใช่ปล่อยแล้วสติแตกนะนะแต่ว่าไม่ได้ควบคุมพ่อหมายถึงต้องตามดูอย่างเดียวใช่รู้ทันว่ามันมั น, ม, นมันนิ่งผิดธรรมชาตินึกถึงสมัยตอนเราเด็กๆ จิตเราเคลื่อนไหวมากกว่านี้รู้สึกไหมพอเรามาปฏิบัติเนี่ยจิตเรานิ่งกว่าความเป็นจริงเราต้องการเห็นจิตใจตามความเป็นจริงแต่ว่าเราไปดัดแปลงจิตซะเรียบร้อยลแลี่เราต้องปล่อยเออต้องอย่างนี้นะอย่างนี้ดีกว่าตะกี้แลเห็นไหมเนี่ยตัวจริงเริ่มออกมาแล้วแล้วตัวจริงออกมาเดี๋ยวก็ร้ายแล้วล่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านสอนกรรมาฐานอย่างหลวงพ่อนะี่ยเสี่ยงมากเลยนะอยากใครทํานิ่งๆ น, นะ กแ็แครแครแคออกมาพอออกมาได้เนี่ยก็ต้องคอยหลบให้ดีน้ำมสการหลวงพ่อว่าไงตื่นเต้นมากครั้งแรก<ม><ม>คือว่าอย า, จากจะขอสอบถามอารมณ์กรรมฐานคือแบบว่าเวลาหนูสร้างสมาธิแล้วดูลมหายใจคือแบบหายใจมันค่อยๆสั้นขึ้นสั้นขึ้นแล้ ว, ลวมาอยู่ที่ตรงนี้ถูกไม่ต้องไหมคะถูกแต่ถูกแบบสมถะ หนูสังเกตไหมเวลาที่หนูโลดลมหายใจนะจิตหนูไหลไปอยู่ที่ลมหายใจใช่ค<า>่ะอให้รู้ทันจิตที่ไหลไปที่ลมหายใจนะจิตจะค่อยตั้งมัน่นอ๋อแล้วหนูก็ไม่เห็นแสงอสิคะหืมหนูอยากเห็นแสงเวยแสงง่ายงง่ายหน้าขึ้น <laughs> แสงในสมาธิคนะ่ะ <laughs> ทำสมถะจะยากอะไรเคล็ดลับหนะ้าทาใจสบาย ดูจิตคนอื่นเป็นไหมค่ะ<า>ดูจิตคนอื่นเห็นไหมเห็นเดี๋ยวทําสมถะให้ดูใครดูนะใครเรียนแบบนะนี่ทำชาช้านะเห็นหน่อยอสบายสบายสบายเคล็ดลับของสมถะต้องสบายนะ่ใชอย่างนี้ไม่สมองอารมณ์เหมือนเด็ ก, กไม่ใช่ไหมค ะ, ะอารมณ์เหมือนเด็กใช่ไหมคะอะไรนะอารมณ์เหมือนเด็กใช่ สบายสบายเออสบายชินชินนันแะแล้วหนูสังเกตเห็นแบบเหมือนมีแบบตรงนี้เหมือนเหมือนลูกส้มอะ่ะส้มมีเปลือกก็เหมือนแบบร่างกายแล้วภายในลูกส้มมีแบบจิตใจหนูถูกรูถก้ถูกต้องใช่ไหมรู้สึกถูกนะแต่ยังไม่เป็นวิปัสสนาหรอกตรงน้วบางที่เห็นภาพประกอบด้วยนะจะเป็นนิมิตของสมถะประมาณนั้นแล้เห็นแบบ รูปแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเห็นความว่าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งคือแบบเหมือนเป็นลมหายใจหรือไม่ก็เหมือนแบบเป็นแสงสว่างมันเปลี่ยนไปเรื่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงอดีแล้วนี่ถูกต้องเออนะถูกแบบวิปัสสนาแต่ไม่ถูกแบบสมถะคนละอันกันนี่เห็นไหมตอนที่จะทําสมถะเนี่ยเรากําหนดจิตเนี่ยดูทันเปล่าดูไม่ทันค่ะไม่ทันเหรอ หนูเพิ่งเรมต้นเองหนูแค่มาสอบทางว่าถูกต้องหรืคือเวลาทำสมาถนะใจต้องสบายน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขแล้วจิตมันจะสงบแต่จะทำสมาธนี่มันจะไม่มีปัญญานะมันเป็นที่พักเฉยๆเราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นคนดูเราเห็นท่าเห็นขันมันทำงานเรื่อยๆ เห็นกระทั่งตัวจิตเองก็าทำงานเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้ดูเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้ฟังดูอย่างนี้เรื่อยๆจะเห็นแต่ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะเรียกว่าวิปัสนาสมถาก็ดีของตัวเองเอาไว้พักผ่อนวิปัสนามันก็มีดีของมันคือเอาไว้เจริญปัญญาสมถาก็ได้ความสุขความสงบวิปัสนาได้ปัญญาเป็นผลเรื่องความพ้นทุกข์ความบริสุทธิ์หลุดพ้นอาศัยปัญญา แต่จิตที่ไม่มีสมถะเลยก็จะเป็นอย่างของคุณคนนี้พอนานแล้วจะแห้งแรงมากแบบแห้งแรงโคตรๆแบบนั้นเอเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแรงแห้งแร ง, แรงเลยของหนูก็ชุ่มฉ่ำแต่ไม่เดินปัญญาเออกับข้างกันนะแล้วเวลาที่เราชอบเหมือนแบบชอบภาษาอย่างเงี้ยมันสามาออรถข้นะขามภพขาชาได้ไหมคะชออะไรนะภาษาแบบ ฟังภาษาแล้วเราลอกเรียนแบบภาษาแล้วอย่างนี้แล้วมันสามารถเป็นวาสนาของเราไหมจ็เป็นวาสนาเป็นวาสนาสะสมอะไ ร, รไว้มันก็ตามเราไปแหละแล้วถ้าเราโกรธเนี่ยเราจะเรียนมรณาบุญสติได้ไหมโกรธเหรอโกรธโกรธทําไมต้องมรณ า, านุสติเพราะว่ามันจะทําให้เราเหมือนแบบเมตตาเขา <c oughs> ว่าเราอ่ะเออเราก็ตายเข า, าจะเรียนเมตตาสิ ไม่ตาไปไม่ขึ้นนรอค่ะไม่ขึ้นเอามารณาสมุสติก็ได้แต่นั้นเป็นสมถะนะ <c oughs> ให้รู้นะของหนูถามแต่เรื่องสมถะทํำสมถะไม่ได้สมถะก็ทำอย่างหนูทํานี่แหละโกรธขึ้นมานะก็คิดถึงความตายแล้วก็หายโกรธอะไรเงี้ยเดี๋ยวโว่เราโกรธใครสักคนแล้วก็คิดชีวิตนี้ไม่แน่นอนไม่นานก็ตายแต่แกตายก่อนก็แล้วกันอถ้าหายโกรธ รู้สึกตัวนะพยายามรู้สึกตัวให้เข้มข้นขึ้นหน่อยเนืวงใจมันอ่อนระทวยไปไหลไหลไหลหลไปรู้สึกไหมใจมันระทศระทวยไม่ดีนะฟุ้งซ่านเออไม่ได้ใช้ไม่ได้หรอกเออหลวงพ่อคะการทําบุญนี่มันเหมือนอากาลิโกไหมฮะการทําบุญการเราไปทําทานเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับการใช่ไหมคะไม่ขึ้นะแต่ก็ต้องรู้จักนะจะไปใส่บาตรเนี่ยไปตีสองไม่ได้นะ หมายความว่าเราไปสองสาอาทิตย์นานๆไปที่นหนูใช้คำสสูงเลยอากาลิโก <laughs> <laughs> อากาลิโก้หมายถึงตัวธรรมะนะอย่างอริยสัจสี่เนี่ยเป็นอากาลิโกกี่ยกกี่สมัยกี่พระพุทธเจ้านะก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนหรอกนะเป็นธรรมะที่ไม่เปลี่ยนไปตามเวลา หนูเอาเรื่องเวลาจริงๆไปพูดแล้วแปลว่าหนูไม่มีเวลาไปทำบุญนะคะในเห็นว่าการทำบุญเนี่ยมันไม่ขึ้นแต่ละเวลามันไม่ได้้เลยนะ <laughs> ลยแอ หลวงพ่อะจะไปล้ขอใจครับหลวงพ่อจะกราบเขาเพราะคุณอีกข้อเดียวค่ะพรดีจะถามหลวงพ่อที่ยังผัดติดอยู่นิดเป็เจ้าค่ะเตี้ยมทุกเวทนาเนี่ยเราต้องผ่านทุกให้ได้ถ้าสมมติเราดูจิตเฉยๆเราไม่ต้องผ่านทุกหรือเปล่าเจ้าค่ะคือทุกเวทนาถ้าเราจะใช้เวทนานุ ป, ปัสนาเนี่ยเราต้องไม่หนีมันนั่งแล้วทุกแค่ไหนก็นั่งดูนั่งแยกขันไปได้วยนะกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตแล้วเห็นในเวทนาก็ตกอยู่ใต้ใจละ แต่แล้ถ้าเราใช้ฐานอื่นอย่างเราใช้ฐานกายนั่งแล้วเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิริยบทเราใช้ฐานจิตนั่งไปเมื่อยมากปวดมากใจทุรนทุรายเราเห็นเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบทใจมีความสุขเราเห็นใจเปลี่ยนแปลงแล้วะเพราะฉะั้นถ้าเราไม่ได้ใช้ฐานเวทนาเราเปลี่ยนอิริยาบทได้แต่ถ้าคิดจะทําเวทนานุปัศสนาก็อย่าหนีมันสู้ตายดูจิตแล้วสบายมากเลยนั่งอยู่เมื่อยก็ขยับไป ง่วงก็นอนหิวก็กินเออหมาถึงวจะจะเห็นจะเห็นวิปัสสนาเห็นพระไตรลักษณ์ได้แบบเคลัณะโดยที่เราเไต้องนั่งกรมฐานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเจ้าค่ะไม่ต้องนั่งกรรมฐานใช่ไหมเจ้าคะทุกๆอิริยาบถเนี่ยคือการปฏิบัติทั้งหมดเลยเดินทุกก้าวที่เดินทํากรรมฐานอยู่นั่งเก้าอี้นั่งไกว่างทําทอะไรอยู่ก็คือนั่งกรรมฐาน ไม่ใช่ต้องนั่งท่านี้ห้ามกระดุกกระดิกหรือจะเป็นตั้งกรรมฐ า, านนะมันอยู่ที่เราทําไปด้วยมีสติไหมทุกก้าวที่เดินด้วยความมีสติก็เรียกเดินจงกรมก็ได้นั่งอยู่มีสติอยู่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวก็เรียกเราปฏิบัติธรรมอยู่อย่างงั้นเราก็เลือกที่ไม่เอาทุกข์ดีกว่าไหมทุกขเวทนามันมันสาหัสมาง <นะ S 2> คนน ะ, ะบางคนชอบดูทุกข์ก็ไปดูทุกข์สติเกิดดี ถ้าไม่ยอมดูทุกข์ทีสติเหลือไปนานเนี่ยบางคนต้องดูมันต้องดูว่าเราเจริญกรรมฐานอันไหนแล้วสติเกิดบ่อยแล้วอาันนั้น<อ>ไม่ได้เลือกตามใจนะไมงั้น ไ, ไม่มีใครดูเวทนาหรอกครับขอโอกาสครับหลวงพ่อพอดีลงชื่อไว้ท่านที่สิบสองแต่ขอนั่งเก้าอี้มีปัญหาสุขภาพครับท่านสุดท้ายครับคุณกิติยาเล่าตอบทุกคำถามแล้วนะอ๋อครับ ครับก็วันนี้ก็ของพอสมควรครับเดี๋ยวพวกเรากราบลาหลวงพ่อนะครับกราบขอบพระคุณหลวงพ่อสําหรับวันนี้อ๋อขอโทษครับพอดีผมค้ามขั้นตอนไปนิดนึงเรามีของที่มาถวายหลวงพ่อนะครับวางไว้ด้านนอกพวกเราได้เตรียมมาเดี๋ยวพวกเราตั้งเจตนาเพื่อ น, น้อมถวายหลวงพ่อพร้อมกันนะครับขอเป็นโอกาสที่เป็นตัวแทนนํากล่าวนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสิ่งของ อาถราบริขันที่เป็นบริวาลทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อประโมทขอหลวงพ่อประโมทได้โปรดรับซึ่งสิ่งของและบริวาลทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอกาลแลนานเทินยาถาวะริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวามีวาอีโตทินังเปตานาังอุปกะปติอิชิตังปะทิตังทุมหังคิ ป, ปะเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรคโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิตจังุทธาปจายโนจัตาโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ <ไป S 2> คเฟฟังซีดีนะฟังบ่อยๆโดยเฉพาะคนนี้ฟังให้เยอะเลยนะครับพวกเรากราบขอบคุณพ่อครับกราบครับ